ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องสมาธิและสัมมาสมาธิตอนที่6โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราชส5 3 3เนื่องในงานพุทธาพิเศษสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่14นณพุทธสถานสาลีอโศกอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณนะบัดนี้่ันอื่นเอาทบทวนสูตรต่างๆที่ได้เอามาบรรยายนิสักก่อนว่ามาจากอะไรตัวไห่บ้างาสาหรับสูตรที่อยู่ในหนังสือเล่มที่เป็นアนาปาณสตินี่นะเราบอกไว้ในนี้หน่อยก็ได้เพราะว่าในเอ่อเสียงในเทปอะไรมันจะไม่ได้มีด้วยนะ สูตรแรกเลยนะที่ว่ากายไม่หวั่นไหวจิตไม่หวั่นไหวที่ว่างามนอกงามในนั้นมาจากพระไตรปิฎกเล่มสนะิบเก้าสังยุตตนิกายมหาวัคนะข้อที่พันสามร้อยี่สิบสี่ถึงพันสามอยี่สิบหก และต่อมาที่บอกว่าหัวข้อว่าเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงอยู่ด้วยอาณาปานสติโดยมากนั่นก็มาจากประไตรปิกเล่ม19ข้อ1363ถึง1 3 6สอสังยุตติกายมหาวารวัคอันนี้มหาวารวัตหัวข้อที่ว่า อริยวิหารพรหมวิหารตถาคตวิหารนั้นก็มาจากพระติบิดกเล่ม19เ้ช่นเดียวกันข้อ1 3 6สยสังยุตติกายมหาวารวักเหมือนกันข้อต่อมาพระอระหันต์เจริญอานาปานสติทาไม พาะอรั์เจริญอาณาปณสติทาไมนั้นก็มาจากพระเถปิฎกข้ อ, อพระเรปิฎกเล่ม19เช่นเดียวกันอีกนะข้อ1367นะต่อต่อกันขึ้นมาสังยุตติกายมหาวราวรคเหมือนกันอีกข้อหนึ่งเจริญธรรมอย่างเดียวชื่อว่าเจริญธรรมอย่างอื่นอีกมาก ข้มาจากพระธิรปิฎกเล่ม19นะข้อพัน381สังยุตตนิกายมหาวาระเช่นเดียวกันส่วนอาณาปานสติภาวนานั้นนะไม่ได้บอกไว้เลยอ้อมบอกไว้นะมาจากพระธรปิฎกเล่ม14 มาจากพระเปิฎกเล่มสิบสี่ข้อสองร้อยแปดสิบแปดมาเรื่อยๆแหละขอ 8, นะ้อสองร้อาแปดสิบแปดอนานาสติสูตร <c oughs> ทีนี้ระโหกตะสูตรนะระโหคตะสูตรนั้นมาจากพระเปิฎกเล่มสิบแปด พระตบพิดดอกเล่มสนะิบแปดข้อก็จากข้อนะข้อสานะ้อยเก้าสิบเอ็ดถึงสา4รนะ้อยเก้าสิบสี่นั่นาเราตรวจข้อนะเล่มแล้วก็ตรวจข้อตรวจเล่มเนี่เราตรวจจากเล่มพระบาลีนี่จะจะตรงนะจะแม่นเดี๋ยวนี้เขาทำสังคยนาใหม่ ข้อชักเปลี่ยนไปแล้วแต่เล่มไม่เปลี่ยนเนเล่มเล่มตามได้แต่ข้อเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้ในภาษาไทยนะฉบับที่สังคยานาใหม่ถ้าใช้ฉบับหลวงจะตรงที่ใช้ในใช้ฉบับหลวงฉบับที่พิมพ์มาตอนก่อนตอนรแรกพิมพ์มาตั้งแต่2 5 0พันห้อยไรนั้นทำไมาใช้ฉบับใหม่ฉบับสังคยานานี่ พ่อเขามีแก้เปลี่ยนอถอดออกมั่งตัดออกมั่งอะไรก็มีซึ่งไม่น่าจะถอดไม่น่าจะตัดแต่ทำไมเขาถึงทำเงินมาดูเขาสรงายานากั้นใหม่แล้วก็ทาฉบับสรงขยานาเนี่โดนถล่มมากใช้เงินไปตั้งหลายสิบล้านอาตมาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันใช้เปลืองมากขนาดนั้นถ้าให้อาตมาพากันทำสังงขยานานี่คงไม่ได้ต้องใช้ถึงหลายล้านขนาดนั้นหรอก แม่จะบอกว่าเป็นราคาค่าพิมพ์หนังสือก็าตามาต่อไปสันรัฐสูตรสัรรัฐสูตรนั้นมาจากพระจปดกฉบับหลวงเล่มสิบแปดเล่มสิบแปดตั้งแต่ข้อสามร้อยหกสิบเก้าสามร้อยหกสิบเก้า ถึง373อสันลัทธสูตรสูตรที่ว่าด้วยเวทนาเปรียบด้วยลูกศรพระบิดกเล่ม18ข้อ369ถึง373ต่อไปสมุขสูตร ว่าด้วยนิมิตสามนะสมุคสูตรว่าด้วยนิมิต3นั้นมาจากพระติรบิดกฉบับหลวงเล่มที่20่เล่มที่20ตั้งแต่ข้อ542ข้อเดียวอะเข้อเดียวอันนี้ข้อเดียว ข้อห้ารอยสี่สิบสองข้อเดียวเรื่องสมาธิและสังขารเรื่องสมาธิและสังขารนั้นมาจากพระตปิฎกฉบับหลวงเล่มสิบสองเล่มสิบสองอันนี้ไม่ได้บอกว่ามาจากข้อไหน <c oughs> จุลเวทลสูตรอันนั้นจุลเวทลสูตรอันนี้ที่นางวิสาขากับภิกษุณีธรรมทินนาถามกันส่วนเรื่องของการระงับสังขารสามต่อมานั้นมาจากพระธปิฎกเล่มสามสิบเอ็ดล่มสามสิบเอ็ด ตั้งแต่ข้อ222ถึงแต่แต่ไม่ได้เรียงกันทีเดียว น, นะข้อ222แล้วก็ข้อ403ข้อ410แล้วก็ข้อ411ที่ได้เอามาอ่านให้ฟังนี่ อัลสูตรสุดท้ายที่เราได้เอามานำมาอ่านเรื่องสมาธิภาวนาสี่นรื่สมาธิภาวนาสี่นั้นไม่ได้บอกอ มาจากพระเปิฎกเล่มสิบเอ็ดเล่มสิบอ็ดสังคีติสูตรนะสังคีตสูตรมาจากเล่มสิ็สังคีตสูตรตั้งแต่ข้อสามร้อยเจ็ดข้อเดียวสาม้เจ็ดข้อเดียวไม่ใช่ตั้งแต่ข้อสามอยเจ็ดเรื่องของสมาธิภาวนาสี่ ทบทวนนิดหนึง่งว่าเราต้องเข้าใจอาณาปานสตินะอาตมาเคยตั้งใจท่าจะเขียนทางเองว่าจะเขียนภาคสามไมใช่ภาคสาภาคผนวกภาคผนวกว่าจะเขียนสรุปจะเอาอาณาปานสติเนี่ยเป็นหัวเรื่องเป็นหัวชื่อแล้วก็จะ เขียนให้เห็นถึงอาณาปานาสติตั้งแต่หลับตาปะเจนกระทั่งถึงอาณาปานาสติลืมตาก็าจะทำอย่างนั้นแต่เสร็จแล้วก็ไม่มีเวลาได้เขียนเลยจนกระทั่งบัดนี้เราก็คงจะไม่ได้เขียนแต่มาทุกวันนี้ ึถึงว่าถ้าเราจะเขียนหนังสือเหมือนอย่างที่ได้เขียนหนังสือคนคืออะไรเขียนหนังสือทางเอกอย่างนี้นะไม่ได้ทำอย่างที่ทำเนี่ยคือพูดพูดพู ด, พ ด, พดไปแล้วก็ให้เอาไปถอดเทปแล้วก็มาเรียบเรียงเหมือนสมาธิพุทธเนี่ยเสอาตมาคิดว่าตมาจะเขียนได้ออกมามันจะ มันจะได้ลึกกว่าเพราะอาตมาตอนที่เขียนหนังสือมันลึกกว่าพูดพู ด, พ ด, พดแล้วก็ให้ไปเรียบเรียงแล้วก็เอามาทําอย่างสมาธิพุทธจะมารู้สึกอย่างนั้นนะถ้าอาตมาเขียนเองเนี่ยอาตมาจะเขียนได้ลึกแล้วร้อยเรียงแล้วเจาะลึกได้มากนะไอ้เรื่องกว้างไม่ยากหรอกเรื่องกว้างเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเข่าเงื่อนก็ได้ เป็นแนวระนาบนไม่ยากเอาอะไรมาเป็นข้าเงื่อนแล้วก็ว่ากันต่อพืชไปหมดเลยนี่ไม่มีปัญหาแต่ว่าจะเจาะลึกลงไปในแนวลึกแนวดิ่งอของแ ต, แต่แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอะไรอไรพวกนี้เขียนนี่ได้ใช้เวลาแล้วก็ได้เพ่งไ ด, ได้ได้พยายามที่จะ ตรวจสอบถึงสภาวะตรวจสอบถึงอะไรแต่ไรได้นานตอนะนี้พยายามที่จะใช้ภาษาเขียนอธิบายหรือว่าพยายามที่จะกําหนดอะไรแต่ไรออกมาสื่อให้พวกเราได้ฟังเนี่ยมันไดงมีใช้เวลามันมีเวลาได้ใช้ได้ไตร่ตรองตรวจสอบนะบางทีนี่กว่าจะเขียนออกมานี่ก็ต้องพยายามที่จะเอาสภาวะนั้นออกมาเป็นภาษาได้ ได้ยากและนานกว่าจะได้บางทีนี้เขียนหนังสือจะได้บรรทัดหนึ่งสองบรรทัด บ, บางทีนี้ติดอยู่ตรงสภาวะบางเรื่องบางราว น, นานแต่พูดเนี่ยยังไงยังไงมันต้องพูดออกไปต่อเนื่องไปมันก็เลยไม่ได้มานั่งเจาะเพราะงั้นมันจะตื้นกว่าพูดเนี่ยมันจะตื้นกว่าเอาไปเรียบเรียงแล้วแล้วเอามาเกล่าอีกทีหนึ่งมันก็ ไ ม, ไม่ไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนที่อาตมาเพ่งเขียนทำเป็นติดต่อติดต่อกันไปเองมันอาจจะยืดยากมันอาจจะอะไรอะไรบนบ น, บนบ้างมันก็อาตมาว่ายังละเอียดละอ่อนแล้วก็ลึกกว่าที่พูดแล้วก็เอาเรียบเรียงอย่างแต่มันทำได้ขนาดนี้นะ ก็ยังนึกอยู่เลยว่าเราจะมีเวลาไหมนะในชาตินี้ที่จะมีพวกเราได้ทํางานแทนอาตมาไปหมดโดยอาตมาไม่ต้องมาเสียเวลาในอะไรอะไรอะไรหลายอย่างเนี่ยที่จริงมันทุกวันนี้เนี่ยงานมันจะต้องพยายามดูแลตั้งก่อตั้งแล้วก็สร้างอะไรอะไรมันมากเหลือเกินนะมะเกเลยไม่มีเวลาที่จะปลีกไปทํา อย่างที่ว่านี่เพราะต้องใช้เวลามากเวลาเขียนอย่างนี้ต้องใช้เวลามากอาตมาเขียนทางเองนะตอนนั้นไม่มีงานอะไรมากมีงานอบรมพวกเราอยู่จำนวนหนึ่งอยู่แค่ในวัด อ, นนอื่นๆไม่มีภาระอะไรนอกัานยังไปทำของตัวเองป้ายพากันจาริกไปโน่นมานี่อาตมาก็ทำไปอย่างสบายๆไม่ต้องไปต้องคำนึงถึงอะไรเพราะว่ามันแคบจะไปไหนก็ไม่ต้องเป็นกหนดอะไรเอาไว้ว่าเอออันนั้นงานที่นั่น งานที่นี่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีตอนนั้นไม่มีไม่ต้องไปคำนึงอะไรเพราะงั้นโปร่งจะเขียนก็เขียนเมื่อไหร่มีเวลาเขียนกตมาจาริกไปมีเทียนเล่มนึงก็มีบาทเขียนบนบาทที่นั่งตั้งไว้เขียนไปไปจาริกขึ้นเขาลงห้วยข้างทางที่ไหนเขียนตะพึดทางเอกเขียนไปต่อไปเรื่อยเรื่อยใช้เวลาที่เราพักผ่อนแล้วเราก็เขียนื่นเช้าเขียน ต้งวันเขียนด้วยว่าเย็นเขียนเป็นแล้วแต่ตอนไหนส่วนมากเช้าตืนแต่เช้ามาก็ามานั่งเขียนมันก็ได้อย่างนั้นก็ไม่นนึกเหมือนกันว่าตัวเองจะเขียนออกมาได้ยาวยุ่ยยาถึงขนาดนั้นมารวมพิมและโอโฮไม่ใช่เล่มเล็กๆต้องหลายเล่ ม, มถ้ามีเวลาได้เขียนหนังสืออื่นได้เขียนเรื่องอื่นซึ่งจะเขียนอะไรก็ได้เรื่องเยอะยะ ที่อาตมาจะนํามาเขียนนี่นะที่นํามาบรรยายในงานพุท ธ, ธาพิเศษ็ดีปรุเษเสก็ดีตอนหลังๆนี่ที่ จ, จับเรื่องขึ้นมาเป็นเรื่องสําคัญสําคัญจะเขียนนั่นนะนั่นแหะได้แล้วมาบรรยายไปแล้วแล้วก็เอามาเรียบเรียงรวบรวมมาเชื่ออตมาก็เห็นแล้วว่ามันไม่เหมือนที่อาตมาจะเขียนออกมาเองหรอกถ้าจะไปเขียนซ้ําเขียนซ้อนอีกก็เหมือนกับไปรือ้อแล้วมันก็มันก็ต้องได้ทจริงมันก็ดีอถ้ารื้อได้มันก็ดีทําให้มัน ละเอียดละอ้อขึ้นมันก็ดีแต่มันก็ยังไม่มีเวลาแม้แต่เขาเรียบเรียงไว้แล้วเนี่ยจะเอามาตรวจอีกทีหนึ่งทําพอที่จะพิมพ์เป็นเล่มออกมาแต่ละครั้งแต่ละคราวซึ่งน่าจะทําแต่ไม่มีแรงไม่มีเวลาพอที่จะไปทําได้อีกนะเทียบเรียงไว้แล้วนะห ล, หลายเรื่องนะเรื่องทุกบริยษัตว์ก็พอบัญยายไปแล้วเรียบเรียงมาแล้วเรื่องอะไรอีกโพดโพดไว้เรื่องอนะ พ, พ, พ, องพิชาก้าวก็พูดไปแล้ว เรารียบเรียงไว้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทำต่อยังไม่ได้ออกมาเป็นเล่มมันน่าจะได้ออกมาเป็นเล่มเหมือนสมาธิพุธอย่างน้อยก็อย่างนั้นสมาธิพนะุธตอนสองก็เรียบเรียงขึ้นมาแล้วนะยังไม่ได้ทวนยังไม่ได้ทำลงมาต่อเลยสมาธิพนะุธตอนเล่มสองมันยังไม่จบทีเดียวสมาธิพุธนะั่นนะยังไม่บทตามสารบัญสารบัญในเล่มหนึ่งนะั่นนะ่ะมีไว้ครบนะแต่ว่ า, ามาเด็กหมดตามสารบัญ น, นั้นนะ ก็ยังไม่ได้ทำต่อถ้าพะพวกเราแข็งแรงนะมีสมรรถภาพเพียงพอช่วยกันบริหารช่วยกันรับงานทำอะไรแต่ไปใน ด, ดีทุกวันนี้ก็ดีขึ้นนะแ้วมันกว้างชีวิตมนุษย์สังคมของมนุษย์ทั้งหมดมันกว่าจะแข็งแรงตั้งมัน่นเป็นระบบแล้วก็มีวัฒนธรรมนะมีจารีประเพณีมีพฤติกรรมของชีวิตมีกิจกรรมของชีวิตในกลุ่มชน กลุ่มชนอย่างพวกเราที่กำลังพยายามเป็นไปเนี่ยแม้แต่มีพิธีกรรมอะไรก็ตามอัตมาพยายามที่จะสรุปกรรมมาไวในของสังคมมนุษย์นในชุมชนใดก็แล้วแต่มันจะประกอบไปด้วยพฤติกรรมกิจกรรมแล้วก็พิธีกรรมในแง่ความหมายของมันอัตมาพยายามสรุปกรรมมาไว้ อย่างนั้นมันจะมีในคนพูเรานี่มีพฤติกรรมก็ไม่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนคนที่ข้างนอกที่เขาเองเข า, เาได้อบรมในความรู้สึกทิฏฐิหรือหลักเกณฑ์ของชีวิตเำม่ออบรมอย่างนั้นมีความเห็นอย่างนั้นหลักเกณฑ์ชีวิตอย่างนั้นก็เป็นคนที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นแม้แต่กิจกรรมหรือกิจการการงานทั้งหลายแหลอันประกอบ อยู่ในชีวิตของมนุษย์การงานทั้งหลายแหล่ของพวกเราเราก็เลือกเฟ้นหรือรู้ว่างานใดควรจะทํางานใดไม่ควรจะทํางานใดควรจะเป็นหลักแกนหลักแกนสําคัญงานใดไม่ใช่หลักแกนสําคัญอะไรเราก็มีขนาดสําคัญเอกสําคัญรองอะไรลงไปเราก็ มีในส่วนที่เรามีส่วนที่เราไม่มีเราไม่อาเราไม่เห็นดีด้วยกับมันก็ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นว่าเราเห็นว่างานทำนาเนี่ยเป็นงานเอกเป็นงานสําคัญหลักควรเชิดชูบูชากันทานาทำไรซึ่งเป็นเรื่องของอาหารเป็นความสําคัญเป็นหนึ่งในโลกดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสตอบเน้นเอาไว้ว่าอะไรเป็นหนึ่งในโลกอาหารเป็นหนึ่งในโลก เพราะอันนี้ต้สองสำคัญเป็นหนึ่งเป็นเอกเราคิดตื้นตื้ น, นสามัญสํานึกเรารู้ได้ว่าจริงมันสําคัญเป็นหนึ่งในโลกจะเรื่องของเศรษฐกิจจะเรื่องของสิ่งที่ควรกระทําเป็นการกระทําการงานความสําคัญเกี่ยวเนื่องกับชีวิตมนุษย์นะมันเป็นเอกจริงๆและเราไม่ให้ค่ามันสําคัญได้อย่างไรและที่นี้ความเห็นของพวกเราเนี่ย สำคัญเพราะเราต้องทำต้องสร้างให้ดีที่สุดให้มีบริบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดนะคว่าสมบูรณ์ก็ไม่ใช่ความล้นเหลือแล้วก็มีหลักเศรษฐกิจเหมือนกัน <c oughs> มีหลักเศรษฐศาสตร์เหมือนกันไม่จะเฟอ้อเกินแต่ว่าก็จะต้องมีมากเพียงพอที่จะเหลือเผื่อเหลือเผื่อขาดและต้องราคาถูกอีกด้วย ราคาถูกหรือแจกกันได้อย่างง่ายๆนี่เป็นความรู้เป็นปัญญาเป็นแนวคิดเป็นความเข้าใจของพวกเราไปทิศทีความเห็นที่เราจะต้องเห็นซึ่งต่างกันกับโลกว่าถ้ามันสำคัญมันต้องแพงอันนั้นไม่ได้ที่จริงในโลกเขาก็รู้นะว่าถ้าให้ข้าวราคาแพงเกินไปแล้วก็ประชาชนตายแน่แน ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นจึงต้องกดราคาข้าวไว้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็คานแยงกันชาวนาวก็เลยกลายเป็น ป, ปฏิบัติต่อรัฐบาลเขามากดราคาข้าวเอาไว้ไม่บอกไมให้รู้ว่าราคาข้าวต่ําไว้นะ่ะดีแล้วขายราคาข้าวได้ถูกเท่าไหร่ก็เป็นคุณค่าของตัวเราเองเท่านั้นยิ่งแจกฟรีได้ก็ยิ่งเป็นบุญเป็นคุณเป็นกุศล เป็นคุณค่าซึ่งอาตมาก็พยายามอธิบายถึงหลักบุญนิยมทฤษฎีบุญนิยมต้องมีปัญญามีแนวคิดมีความเข้าใจในหลักบุญนิยมให้ถูกต้องแล้วก็ต้องทำให้สอดคล้องเป็นจริงทุกวันนี้มันอยู่ในหลักของทุนนิยมทั้งนั้นซึ่งเอากิเลสความเห็นแก่ตัวความโลภเป็นเจ้าเรือนหรือเป็น เป็นเป็นตัวบรรดาลทางความคิดเป็นตัวบรรดาลทางความคิดหลักแล้วก็ตั้งทฤษดีมันไม่ต้องตั้งหรอกมันเกิดมาเองตามปราสาของปุุชนแล้วมันก็เกิดทฤษดีทุนนิยมขึ้นมาเป็นทฤษฎีทุนนิยมเป็นทฤษดีของปุุชนขอยืนยันแล้วมันก็ไปไม่รอดมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่ได้เป็น ทฤษฎีที่คำนึงถึงความพ้นทุกข์ไม่ได้เป็นทฤษฎีที่คำนึงถึงความเสียสละที่แท้จริงความไม่เห็นแก่ตัวที่แท้จริงมันเป็นทฤษฎีของความเห็นแก่ตัวทฤษฎีของความโลกความเห็นแก่ได้เอาเปรียบและมันเป็นอย่างนั้นมันไปไม่รอดมาพูดกันเมื่อไหร่ก็ได้เอานักศึกษาด็อกเตอร์ปริญญาเอกโพสต์ด็อกเตอร์นั่นะมาพูดกันเลยหลัก เศรษฐศาสตร์หลักปกครองอะไรก็แล้วแต่หลักรัฐศาสตร์ต่างๆก็ตามถ้าจะเอาทฤษฎีทุนนิยมามาพยายามปรับกับมวลมนุษย์แล้วลราก็มาใช้กับมวลมนุษย์มาใช้กับมวลมนุษย์โดยทฤษฎีหลักของเา้าเราคุณจะไปจัดระบบจัดทฤษฎีนั้นมาเป็นวิชาการหลักถูกต้อง อย่างไรที่เราที่เรียนกันมาจนกระทั่งให้ปริญญากันขนาดระดับโพสต์ด็อกเตอร์ T R, มาก็ตามเอามาให้เต็มที่เลยที่ษรีหลักทุนนิยมนะและ้วเอามาเทียบกันดูกับหลักบุญนิยมรับรองว่าจะเห็นเด่นชัดว่าหลักทุนนิยมนั้นแก้ไขไม่ตกเป็นสภาพวัวพันหลักยิ่งแก้ก็ยิ่งพัน ยิ่งแก่ก็ยิ่งยุ่งไม่คำนึงถึงทางจิตวิญญาณไม่มีความรู้ทางจิตวิญญาณอย่างสมบู ร, บรญญณ์รู้บ้างเรื่องจิตวิญญาณรู้บ้างตามภาษาสามัญสํานึกเสร็จแล้วไปไม่รอดแก้ไข ย, ยังไงก็ไปไม่รอดเพราะยังยังเดินทางสู่คลียุกันอยู่อีกนานถ้าพวกเราเนี่ได้เรียนทฤษฎีบุญนิยมซึ่งเป็นภาษาร่วมสมัยภาษาในสมัยพระเจ้าท่านใช้ก็เหมือนกันนั่นแหละท่านใช้มาแล้ว มันจึงได้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขมาได้นานสอง0ันกว่าปีมาแล้วยังไม่ศูนย์ทีเดียวหรอกแต่ความลึกของความหมายหลักของคำว่าบุญยมเนี่ยมันตื่นแล้วพระศาสนาพุทธมันก็เลยเพี้ยนมันก็เลยกลายเป็นสภาพดิ่งไปในทางภวะตัณหาการตัณหาพอเข้าใจ แต่ก็ยังไม่ลึกซึ้งพอก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรยิ่งเพราะวัณหาก็เลยไม่ค่คยรู้เรื่องก็เลยกลายเป็นทฤษฎีบุญนิยมของพระเจ้าก็เลยตื้นเขินแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรอย่างจะเห็นได้แม้แต่พระหรือภิกษุผู้ศึกษาธรรมะของพระเจ้าแล้วดิ่งไปในทางเห็นแก่ตัวในวัณหหาไม่เอาอะไรเลยเป็นแบบพฤษี นะกามาพบการมาตัณหาก็เรียนรู้บ้างนะก็ยังดีเพราะมันเป็นเบื้องนอกก็พอรู้เรื่องลาบเรื่องยศเรื่องอะไรก็พอพูดกันเข้าใจพวกคนทั่วไปเข้าใจง่ายแต่เพราะวัตันหานั้นเป็นเรื่องของพบทางทางแนวดิ่งลึกไม่ค่อยเข้าใจว่าอัตตานะอัตภาพคืออะไรไม่เข้าใจแล้วก็ไม่หมดอัตภาพนะก็ไปไม่รอดไม่สมบูรณ์ ทีนี้พวกเราอาตมาแน่ใจว่าอาตมาเข้าใจสิ่งเหล่านี้จริงนะได้ทํางานมาสิบกว่าปีก็เห็นผลกับพวกเราแล้วว่ามันลดความโลภความโกรธแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาชุมชนปัญหาหมู่กลุ่มที่เป็นแบบรัฐศาสตร์เนี่ยเราจะอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องอย่างไรอยู่กันอย่างเกื้อกูลอย่างไรอยู่กันอย่างสร้างสรรค์ไม่เอาเปรียบรัดกันอย่างไรรัฐศาสตร์ก็อย่างนั้นพยายามที่จะให้เกื้อกูลกัน ให้อยู่กันอย่างเป็นสุขมีการดูแลช่วยเหลือใครทําอะไรทําอะไรมีการประนีประนอมประสานอยู่กันอย่างเป็นชุมชนที่สงบเรียบร้อยต่างคนต่างขยันขันแข็งอยู่จนเป็นสุขอะไรกันอย่างนั้นแหละทําให้เป็นอย่างนั้นเกิดการดูแลหูชนมันกว้างมันมากมันหลายล้านคนมันก็มากเรื่องทามันน้อยคนมันก็น้อยเรื่องเพราะะนั้นประเทศที่มีคนไม่ มากนักมีปัญญาดีหน่อยฉลาดหน่อยมีกิเลสน้อยๆน่อยก็อยู่ดีกิเลสมากๆอยู่ น, น้อยคนมันก็ไม่รอดยิง่งมากคนกิเลสน้อยกิเลสมากก็อยู่ยากขึ้นไปเรื่อยๆตามปริมาณด้วยและคุณภาพของคนด้วยทีนี้เราทำกันได้ขนาดนี้ก็จะเห็นผลถ้าใครมองในแง่รัศาสตร์เป็นก็จะเห็นอย่างดรสมบัติเนี่ยดรสมบัติจันทวงศ์ สอดสองพวกเรามาตั้งแต่เริ่มชุมชนที่ปฐมโสภเริ่มเป็นมูชนก็มองเห็นว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยตอนแรกก็จะทำมองในแง่ของชุมชน อ, อยู่ในปฐมโสกพอจัดทำวิจั ย, ยที่ออกมาแล้วในภาคถิ่นภาคที่สองเสร็จแล้วของดรสมบัติอาตมา ก, ก็ดูดูแล้ว ชุภาคที่สามยังภาคที่สองเราออกมาแล้วภาคที่หออกมาแล้วก็เห็นได้พอทําไปแล้วก็ยิ่งเห็นว่าในชุมชนพวกเรานี่มีอะไรที่น่าศึกษาอีกเยอะพรอแยกไปหมดทุกคะแนงของมนุษย์ที่คนรจะเป็นจะแยกไปในแง่อันนั้นมุ่งเป็นแง่รัฐศาสตร์มากพอมาดูเราแง่อื่นอีกแง่ความเป็นอยู่ทั้งด้านเกษตรทั้งด้านการพาณิชย์ทั้งด้านอะไรอีกอื่น ของเรามีที่ไม่เหมือนกับชาวโลกในรัฐศาสตร์ที่จะมองคลุมไปหมดนะมองคลุมทั้ ง, งเรงศรษฐศาสตร์พาณิชยศสาสตร์การบริหารอะไรต่างๆมีในแง่บริหารก็ตามในแง่อะไรก็ตามดูไปแล้วมันมีอะไรที่ไม่เหมือนกับคนกลุ่มอื่นเพราะว่ารัฐศาสตร์นี่เขารู้อย่างนี้เป็นต้นก็เลยจะจะทําอะไรต่ออีกอะจะวิจัยพวกชาวอโศกเนี่ย ซึ่งก็จริงอัตอมาเห็นว่าจริงถ่านักศึกษาหรือว่านักวิชาการสนใจมนุษย์ชาติจริงๆแล้วนะมาศึกษาชาวอโศกเนี่ยจะได้อะไรจริงๆเลยนะจะได้เพราะว่ามันมีชัดเจนจนเห็นได้ว่าจนเากล้ากล่าวแล้วว่าพวกเราเหมือนคนบ้าเพราะมันแปลกออกไปจริงๆมันแปลกจากถ้าพูดมันก็มันไม่ธรรมดานะมันไม่มันไม่นอร์มอลดูง่ายๆนะ มันไม่นอร์มอลแต่มันก็ไม่ใช่อนอร์มอลนะมันซูปอร์นอร์มอลหรือซูเปอร์นอร์มอลมันไม่ใช่อนอร์มอลมันมันมันไม่ปกติมันไม่ธรรมดาอย่างคนทั้งหลายเขาเป็นทีนี้เขมองไม่ออกเขาไม่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งก็ไม่ศึกษาอย่างดีเขาก็เห็นว่าแปลกไปเขาก็ตีข้าง่ายจะบอกว่าแอปนอร์มอลออกแอปนอร์มอลในคนไม่สติไม่ค่อยเต็ม แต่เนี่เรายิ่งสติเต็มยิ่งสติเต็มปัญญาก็ถูกต้องไม่ใช่วุ่นวายงมงายหลงหลงเลอะะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันกลับกลายเป็นอีกอันห น, นึ่งเหนือเหนือธรรมดาท่แอดนอร์มอลแล้วก็ผิดธรรมดานี่นี่มันเหนือธรรมดานไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างอย่างที่เขาเข้าใจนะเป็นอย่างนั้นนะ เอาละถ้าจะวิเคราะห์วิจารอะไรไปอีกในเรื่องนี้มันก็มากในก็พูดให้ใหเข้าใจให้รู้สึกสบ้างเท่านั้นเองให้รู้สึกที่จรวกเราเราก็รู้สึกอยู่แต่ก็พูดให้มันเปิดเผยขึ้นมาให้เข้าใจชัดๆเรามาพูดถึง เ, เรื่องอานาปาณสติกันให้ใใหให้้พอสมควรแล้วจะได้นั่งบ้างอานาปาณสติอย่างหลับตาเราจะมาเน้นกันตอนนี้อานาปาณสติลืมตานั่นอัตมาว่า มันเหมือนกันถ้าอ่านทางเอกแล้วมันมันเป็นสิ่งที่จิ่วเนื่องกันกับสติปทานสติปทานหรืออานาปาณสตินี่มันจะว่าอะไรมันก็ใกลเขียนกันนะแต่มันคนละมุมนะตัมมาก็ว่าไปแล้วในทางเอกเขียนเอาไว้บรรยายเอาไว้น่าลืมตาไปอย่างนั้นส่วนหลับตานั้น ที่เขาใช้กันมาตั้งแต่สมัยฤษีอุท ก, กดาบทอาลาดาบทอะไรเขาก็ใช้กันมาก่อนนั้นเขาก็ใช้กันมาเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านกาอ น, นั้นมาอธิบายของท่านจะมีคำเก่าๆที่เป็นคำหัวข้อคำเทคนิคอลเทมคำที่ประบุอะไรๆไว้บ้างท่านก็เอามาใช้ร่วมแล้วก็ขยาย ซึ่งในอนาปานสติสูตรนั้นเป็นคำที่ขยายไม่เหมือนกับของฤาษีร้อยอซ16หลักนี้ก็ไม่เหมือนฤาษีร0 0ยเปซ็นเป็นคำขยายของท่านโดยจะพาะให้ฤาษีกลับมาทำความหมายไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะฉะนั้นพวกที่ปฏิบัติสมาธินั่งหลับตานั้นจะไม่เอาความหมายหลักของอนาปานสตินี้ที่อธิบายที่พุทธเจ้าท่านบอกไว้16หลักนี้ไปบรรยายหนะั เช่นในจตุกะที่หนึ่ง ส, สข้อแยกเป็น4ข้อ4หมวดหมวดหนึ่งจตุกะที่หนึ่งเนี่ยหมวดกายานุปัสสนาเนี่ยจะมามาสรุปลงไปเองนะว่ากายานุปัสสนาแบบนี้เวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยหมวดสข้อนั้นสรุปได้ก็คือเรื่องของกายสังขารใครรู้จักสังขาร การคือการประชุมประชุมตั้งแต่ข้างนอกอยาประโยชน์ทงอำเภอประเทศทั้งประเทศประชุมอยู่เรียกว่าประเทศมีมนุษย์ชาติมีจาริยประเพณีวัฒนธรรมมีกฎหมายมีหลักเกณฑ์อะไรๆการปกครองระบอบระแบบอะไรก็อยู่อย่างนี้นี่กับ อ, องค์ประชุมใหญ่องค์ประชุมลงมาถึงชุมชนเป็นจังหวัดเป็นอำเภอเป็นตำบลเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชน เป็นครอบครัวก็องค์ประชุมย่อยลงมาจนกระทั่งถึงตัวเราในตัวเรามีพฤติกรรมก็คือกายของเราจนกระทั่งกายเอาแท่งก้อนนี้เรียกว่าร่างกายเป็นองค์ประชุมเป็นกายนอกกายในเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งละเอียดเข้ามาเอากายคือองค์ประชุมที่เป็นวัตถุธาตุเล็กๆจนกระทั่งถึงเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นกาย ก็ให้รู้ว่านะั่นคือวัตถุธาตุคือเป็นมหาภูตรูปเป็นรูปอยาบนะกายคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนกระทั่งถึงองค์ประชุมก็ไปถึงกายในกายรวมไปกระทั่งถึงความรู้สึกกระทั่งถึงจิตจิตเราจะเรียกกายในกายก็ได้อารมณ์รู้สึกความนึกคิดกายในกายก็ได้แล้วละเอียดลงไปในกายในกายนะถ้าไม่ติดภาษานะ ถ้าไม่ติดภาษาก็คือองค์ประชุมทีนี้องค์ประชุมของจิตเราจะเรียกกายปรเดี๋ยวมันจะสับสนแต่โดยกายกายโยมันแปลว่าองค์ประชุมองค์ที่ประชุมกันอยู่รวมกันอยู่อยากก็คืออยากอย่างที่พูดแล้วจนกระทั่งถึงละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียกจิตสังขารเป็นกายก็คงไม่ต้องเมานะมันเป็นองค์ประชุมของสิ่งละเอียด ในระดับจิตเจตสิกสังขารทั้งหลายนั่นหมายของกายกายสังขารก็ให้พยายามเรียนรู้กายและก็ทําให้สงบลงท้ายถ้าจะบอกว่ากายสัพพกายยะปฏิสังเวทีกับปะสัมพยังกายสังขารังข้อที่สามที่สี่นั่นหมายก็บรรภา ม, พ ร, มพร้อมความรวมความประกอบเฉพาะเราต้องรู้สัพพกายยะ กายทั้งหลายเมื่อตัดขอบเขตเอาแค่ลมหายใจเข้าไปหาความประกอบในที่ละเอียดยิ่งกว่าลมแล้วมันก็จะถึงความรู้สึกรูกก้จิตเพราะฉะนั้นคำว่ากายที่เรียนรู้ในอาณาปานาสตินั่งหลับตานี้จึงไม่ได้กว้างขวางอะไรเป็นกายละเอียดเอาลมเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องเป็นขอบเขตหยาบที่สุด ถ้าจะพิจารณาออกมาหาถิกายคตาสติถึงพิจารณาเนื้อตัวร่างกายตับไตไส้พุงอะไรก็มีองค์ประกอบมีคําอธิบายรูปประกอบบ้างเหมือนกันแต่ตอนนี้เราจะนั่งหลับตาเพราะนเมื่อนั่งหลับตาแล้วก็พิจารณากายพวกนี้ให้มันชัดเจนว่าองค์ประกอบอันนี้มันคืออะไรเราก็รู้ชัดๆว่ากายเสร็จแล้วเข้าใจว่าให้เข้าใจให้ได้ว่า เมื่อมันสังขารกันต่างๆแล้วคำว่าสังขาร น, นี่แหละต้องเรียนรู้สังขารเรียนรู้สังขารแล้วก็พิจารณาให้ได้ว่าอะไรสังขารกับอะไรอยู่สิ่งที่ต้องเป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงมีลมมีเนื้อหนังต้องอาศัยอันนี้มันเป็นธรรมดาธรรมชาติส่วนสิ่งที่ไปประกอบเป็นพิษเป็นภัยเรียกว่าสังขารอันนี้ลราเอาออก เมื่อเอาออกมันก็จะเกิดความสงบตรงงับเรียกว่าปัจซัมพยังสงบตรงงับออกออกแล้วมันก็สงบตรงงับอยู่ตามธรรมชาติของมันอยู่ตามองค์ประกอบที่มันจะปรุงแต่งกันอยู่อย่างพอเหมาะพอดีกายต่สังเคราะห์กันอยู่สังขารกันอยู่พอดีในความพอดีลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ไม่ได้ร้อนไม่ได้เย็นไม่ได้ผิดแปลกอะไรในลมหายใจไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีอะไรควรจะออก ควรจะเข้าอย่างแรงอย่างยาวอย่างสั้นอย่างเบาขนาดไหนอย่างนี้เป็นตน้นเราก็รู้สัดส่วนที่พอเหมาะพอดีอ่มันตอนนี้มันควรจะอ่อนลงไปเพราะว่าเรานั่งลงไปเราไม่ต้องอะไรมากก็ใช้ขนาดนั้นนั่นเรียกว่ากายนั่นเรียกว่ากายหรือสังขารกายต่อมาเวทนานุ ป, ปัสสนาในบทที่สองนั้นนะถ้าให้เรียนรู้เวทนาเช่นปิติเช่นสุขนะ ปิติหรือสุขเหล่านี้เนี่ยเป็นเวทนาซึ่งก็มีอะไรสังขารอยู่อีกเหมือนกันมันก็คือจิตสังขารนั่นแหละจิตสังขารคือมีอะไรปรุงแต่งอยู่ในความรู้สึกเวทนาเนี่ยความรู้สึกมันจะต้องเจาะใช้ลงไปถึงความรู้สึกเป็นอารมณ์ในอารมณ์นะั้วิเคราะห์ให้ออกว่าอะไรไปสังขารในนั้นอารมณ์ปิติเป็นยังไงอารมณ์สุขเป็นยังไง าอารมณ์ทุกเป็นอย่างไรมีเคราะห์วิจัยถึงเหตุเหตุซับซ้อนที่มันหลงมันอะไรแต่ไหนด้วยก็ให้พิจารณาแล้วก็ทำให้มันสงบระ ง, งับบัดสัมพยังจิตสังขารังเหมือนกันรู้องค์ประกอบพร้อมของสังขารทั้งหลายแหล่หรือที่มันรวมประชุมกันอยู่อะไรมันสังขารสอดแทรกอยู่ก็ให้รู้ส่วนบทที่4นั้นจิตานุปัสนาก็ให้ตั้งหลักเลยว่าจิต แล้วเราทำอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รู้เรียนรู้เจาะชายความจริงนั้นวิเคราะห์วิจัยแต่ว่าทำเลยสร้างขึ้นมาให้จิตของเราเกิดอภิปโมทยังจิตสังขารหมวดที่สเนี่ยให้มีอภิปโมทยังให้เกิดสมาทหัง่งและให้เกิดวิโมจทยังให้จิตของเรานี่อาศัยสภาพอภิปโมทยัง อาศัยจิตเบิกบานร่าเริงท่านแปรทัพสาวประโมทยิ่งอยู่ก็คือความเบิกบานร่าเริงยินดีนเบิกบานร่าเริงยินดีเป็นใจที่ใจใจมันพอพอใจใจมันพอใจให้พอนี่มันมาจากคาว่าสันโดษมันพอขณะนี้พอแล้วถ้าน้อยลงไปได้อย่าไปฟู่ฟ่าวูว่าอะไรมือวามากนักให้มีกำลัง มันมีใจที่ยินดีใจเบิกบานราเริงดีขนาดนี้ใช้งานได้ดีน้อยเท่าไหร่มันซับซ้อนนะถ้าเราลดลงไปให้มันเป็นใจที่ราา่าซ่านี่มันไม่ไหวยินดีแรงเกินไปนะอาตมาพยายามใช้ภาษาไทยราเริงอย่างระเริงมากเกินไปอย่างนี้มันมากไปให้ลดด้วยความยินดีหรือว่าความเบิกบานราเริงของเราขนาดถ้าน้อยลงไปได้เท่าไหร่เรียกว่าอภิชฌาแล้วเรืว่าก็มีกําลัง เป็นใจที่ได้อาศัยมีกำลังมีริ้แรงของความภาคเพียรขยันความยินดีที่จะทำงานอะไรได้คงทนนอกจากแข็งแรงแล้วก็อดทนคงทนทาอะไรได้เป็นประสิทธิภาพของจิตที่ดีเราก็พยายามรู้ของเราเป็ น, ปนจิตที่จิตอาศัยอันนี้สร้างขึ้นมานะแล้วก็ทำให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างแข็งแรงตั้งมั่นจะเอาความหมายของสมาธหัง่งว่าเป็นสมาธิ ที่เขแปลสมาธิเขาแปลสมาทัหงแล้วก็แปลซ้อนลงไปว่าสมาธิในวลีในประทานุกรมบาลีเขาก็แปลงนันเหมือนกันแปลสมาธาห้างว่าสมาธิหรือไม่ก็ไปแปลซ้ําซ้อนเป็นภาษาไทายว่าตั้งมัน่นก็ได้แต่ในความตั้งมัน่นหรือในความเป็นสมาธินั้นมันลึกกว่านั้นสมาธาห้างมันไม่ได้แค่คําว่าสมาธิที่แปลว่าตั้งมั่นเท่านั้นเองมันทําให้สภาพของอภิปโมโอย่างนั้นแหละให้ทรงสภาพอย่างนั้นนั่นแหละคือตั้งมั่น ให้ทรงสดทรงหนุ่มให้แข็งแรงอยู่ในสภาพที่เราเอากะเอาได้หรือประมาณเอาได้หรือให้มันเหมาะสมกับตัวเราซึ่งจะไม่เท่ากันทีเดียวบางคนอาจจะร่าซามากหน่อยบางคนอาจจะจืดหน่อยก็อย่าไปว่าท่านนักแต่ท่านก็บอกว่าท่านบบเบามากหรือของท่านแล้วบางคนอาจจะยิ้มแย้มากหน่อยเพราะงั้นพระอาหารหันต์บางรูปจะกับหัวเราะมากหน่อย ดังหน่อยกว่าพระอรหันต์บางรูปบางรูปนี่ไม่ไม่หัวเราะยิ้มในหน้าเฉยๆก็ได้หรือยิ้มน้อยๆบางทีจิตจืดกว่าก็ได้ก็แล้วแต่จริตของแต่ละบุคคลนั่นแหละอย่างนั้นน่ะให้แข็งแรงให้ตั้งมัน่นจริงๆต้องทําต้องฝึกต้องอบรมเสร็จแล้วท้ายที่สุดก็แม้จะใช้จิตจิตอวิญญาณจะใช้จิตนี่แหละของเราก็ เป็นตัวตนไม่ได้ไม่ใช่ของเร า, าจะต้องหัดปล่อยหัดวางภาษาไทยก็มีเท่านั้นหัดปล่อยหัดวางเราจะวางไงไม่ยึดเป็นเราไม่เป็นของเราเนี่ยมันลึกซึ้งมากแล้วมันก็มีในพุทธเท่านั้นที่สอนไม่เป็นอัตภาพาความรู้สึกอันหนึง่งทึ่เป็นความรู้สึกของจิตเองนั่นแหละที่จริงจิตที่รู้สึกจิตที่อาศัย ก็เราเองนี่แหละอาศัยมันใช้มันจริงๆมันก็เป็นเราโดยบัญญัติในโลกโดยมนุษย์ทุกคนรู้แต่สุดท้ายมันต้องจากกันมันต้องแยกกันไม่มีอะไรเป็นของของตัวแม้แต่ตัวมันเองก็ไม่เป็นตัวของมันเองแม้แต่ตัวมันเองก็ไม่ใช่ตัวของมันเองมันก็คือจะแยกสลายเป็นอื่นไปทั้งนั้นทูงส่วมันไม่มีอะไร ไม่ใช่จะเอาภาษานี้มาพูดตั้งแต่ต้นๆ น, นะเพราะเริ่มต้นเรียนเบื้องต้นก็บอกโอ้ยเอายอดมาเลยมาเป็นเบื้องต้นเลยทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่ใช่ของตัวของตนอะไรได้กินหมดก็กลายเป็นปัญญาอย่างที่ท่านติเควิโรว่าแม่อันนี้เจ๋งแก้วน้ําที่มีทั้งน้ามีทั้งไอ้กากอะไรบอกเอ้ยไปมองมันไปทําไมเล่ามันไม่ใช่อะไรอะไรหรอกมันไม่มีอะไรหรอกมันก็อย่างนั้นนะมันก็อยู่ขับมันอย่างนั้นนะ อะไรไม่อะไรไปยึดมั่นถือมันอะไรไม่ได้ทั้งนั้นโอ้โหไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นอะไรมาตั้งแต่ต้นเลยเป็นเรื่องของความฉลาดเท่านั้นเองตีกินและเอามาใช้และไม่รู้ไม่รู้ความรู้สึกไม่รู้เวทนาไม่รู้อุปทานไม่รู้ความยึดเกาะของเราเกาะขนาดไหนวางจริงๆเนี่ยไม่ใช่บอกเขามาวางเล่นๆมาวางถึงขนาดขั้นที่อาตมากําลังพูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตื้นเขินนะ วางสิ่งที่เป็นจิต ท, ที่ดีที่สุดแล้ววิเศษที่สุดแล้วเป็นความรู้สึกที่ไม่พน้พนทุกข์แล้วไม่ไม่ไปแต่มีประสิทธิภาพพ้นทุกข์แล้วไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพรู้รอบรู้ทั่วรู้ฉลาดเ ฉ, ฉลียวรู้อย่างใสอย่างโปรง่งอย่างมีความซับซ้อนลึกซึ้งจริงๆมันยิ่งกว่าสมบัติใดในโลกพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบได้ภูมิแก่โสดาบันยิ่งกว่าใดบานใดเมือง วางไงจำนวนอันเนี้ยยิ่งกว่าสวรรคารายยิ่งกว่าได้บ้านได้เมืองได้เป็นจอมจกักรพรรดิที่มีอาณนะาจักมหาศาลได้ภูมิโสดาบันิคามันยิ่งกว่าได้เป็นจอมจกักรพรรดิได้อาณนาะนิคมหลากหลายได้สวรรค์มาทั้งสวรรค์ยิ่งกว่าสวรรค์คารายยิ่งกว่า จอมจั ก, กระพัดที่ได้อานาณิคมมากมายได้ภูมิโสดาบันนิจเพราะฉะนั้ไนไปกราวไปใหญ่สกิทาขามีภูมิอนาคามีภูมิ อ, มมอรหัตภูมิที่ได้พระสภาพของจิตวิญญาณที่เรารู้จริงแล้วก็ละปล่อยแล้วก็จะกระทั่งถึงความบรรลุซึ่งจิตวิญญาอันบริสุทธิ์จิตวิญญาณอันปราศจากกิเลสออกมาได้ตามลําดับขั้น ขั้นที่หนึ่งเรียกว่าโสดาขึ้นไปนี่ก็ตามโอ้โหมไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นและเป็นนั่งพูดเพลินเอาแต่ความฉเลฉลียวฉลาดมาตีกินอย่างนี้มันเนี่ยในโลกมันซับซ้อนอย่างนี้เสร็จแล้วก็อตาตมาก็ไม่อยากพูดมาพูดมามันก็ไปคมเขาทีนี้อันที่สี่ยิ่งอันที่สี่นี่ยิ่งไม่พระพุทธเจ้าชัดเจนเลยเป็นเนื้อหาของพระพุทธเจ้าเลย อัญจานุปัตสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัตสีปฏินิสค า, านุปัตสีนี่ยิ่งไม่ใช่ของฤษีเลยเรียนเวทนาเรียนจิตสร้างจิตให้ผัดปล่อยหัดวางวิโมจยังแล้วก็ทําได้จริงก็จะเห็นได้ถึงความไม่เที่ยงคือแก้ไขได้แก้จิตวิญญาณได้จิตมันไม่เที่ยง ตัวมันเองมันไม่เที่ยงไม่มีประสิทธิภาพมุทึกผลให้มีประสิทธิภาพแล้วแก้ไขจิตได้ที่จริงไม่ได้ไปแก้ไขจิตเพราะจิตเป็นจิตคือธาตุพัดสรเท่านั้นธาตุรู้แต่มันโง่มันถูกไอ้กิเลสนี่ถึงเป็นไม่ใช่ตัวจิตเป็นแขรเป็นตัวอื่นเป็นอาการทุกข์ไม่ใช่ตัวของจิตเองเข้ามายึดครองอาศัยเป็นเจ้าเรือ น, นตีกินเลยมาบังคับมาใช้อํานาจอยู่ใน แล้วมันก็เลยเอียงเอ็นมันก็เลยเบี้ยวเบี้ยวเบียงเบียงมันเลยไม่บริสุทธิ์ไม่ซื่อสัตย์เรามาล้างกิเลสออกให้หมดจะได้รู้ว่าไอ้แขกนี่ไม่ใช่เราจิตวิญญาณคือธาตุอาศัยด้วยเหตุปัจจัยเท่านั้นและมันบริสุทธิ์สะอาดอย่างไรพราะฉนพระอาหารหันต์ที่มีจิตบริสุทธิ์นั้นจึงเป็นประโยชน์คุณค่ามาไดีเห็นแก่ตัวเลยเป็นประสิทธิภาพของมนุษย์จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดมันจะซื่อสัตย์ มันจะเป็นคุณค่าไม่เห็นแก่ตัวจริงๆมันขยันสร้างสรรค์เกื้อกูลเป็นประโยชน์จริงมนุษย์เมือ่อทําความจริงอันนี้ได้แล้วร้างความสขปรกคือกิเลสนี่ออกไปได้มากทุนใดมันก็ยิ่งเป็นประโยชน์คุณค่าต่อมสังคมประเทศชาติหรือเป็นบุญของตอนเองนี่แหละถ้าจะว่าไปตนเองก็เป็นบุญของตอนเองคือมิตรคุณค่าเมื่อเข้าใจหลักบุญนิยมแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อปฏิบัติจริงแล้วแต เห็นความอัน <anut>: น <át> ีจังมาเออแก้ได้เปลี่ยนได้อันนี้จังอย่างที่อาตมาอธิบายมาอธิบายซอนไม่ใช่อันนีจังอัจจะแค่ความฉลาดนึกคิดตรกศาสตร์แต่อันนีจังที่เห็นความเปลี่ยนแปลงคือจิตเนี่ยทำลายได้ทําให้เล็กลงไม่ใช่เล็กลงทําให้สะอาดบริสุทธิ์ให้มันกิเลสมันเล็กลงให้กิเลสมันเล็กลงได้จริงๆจนจางคลายไปวิราคานุปสี รู้ยิ่งเห็นจริงในความจางคลายของกิเลสจริงๆไม่ใช่มานั่งเดาไม่ใช่มานั่งสะกดกจิตรู้รอบรู้ท่วนรู้ละเอียดรู้ระอรู้อย่างชัดคมแม่นมั่นจริงจังจนถึงดับสนิทนิโรธานุ ป, ปัสสีจนถึงสภาพที่สลัดคืนสูงสุดคืนสู่สามัญอะไรก็แล้วแต่หรือว่าได้และไม่ได้อย่างที่เคยพูด เอาแล้วไม่เอาเป็นแล้วไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสภาพที่ก็แค่นี้นะเอาเาะาแค่นี้ก่อนซึ่งเราสังเกตเอาเมื่อใดที่อธิบายถึงลักษณะของการสลัดคืนอย่างหยากก็ตามอย่างละเอียดก็ตามเมื่ออาตมาเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงไม่ได้คิดเลยนะว่าจะกลับมาแต่งเพลงอีกอา้าวนี่แหลปะปฏินิสัขะเสร็จแล้วมันแต่งเพลงอีกอุทโธแต่ อาตมาบอกคุณเลยอย่างไม่ได้โกหกว่าอาตมาไม่ได้มาติดเพลงไม่ได้มาติดไม่ได้มา ม, มันอะไรเลยเมือ่อยด้วยแต่ก็พยายามทําเพื่อเห็นว่ามันพอมันไปไ ป, ไปทาประโยชน์ไม่ได้เห็นแก่รากยศก็รู้อยู่แล้วไม่ได้ทําเพื่อลาบแน่ๆอยู่แล้วยศกไไย็ไม่ได้คิดสันเซินเยนยอกไ็ไม่ได้คิดว่าจะเอาสันเซินเยนยออะไรถ้าจะสันเซินยยนยอต้องพยายามแต่งแข่งเพลงสมัยใหม่เขาแล้วก็เขาดังยังไงก็ต้องแข่งเขาจนได้มัไปไม่รอดพยายามอยู่นะพยายามไม่เข็นใหม่ขึ้น ตามสมุดเขาไม่ไหวเล่นกับเขาไม่ไหวอก็ได้แต่อย่างนี้ก็ได้ขนาดนี้ยมันดูดแล้วมันก็เลยโบราณโบราณอย่างนั้นนะหลายคนก็บอกว่าทําไมไม่แต่งให้มันสมัยกับเขามั่งอโธ่มันมันก็อยากจะสมัยเหมือนกันนะมันทําไม่ถึงอ่ะมันก็ต้องรู้ของเราเหมือนกันอาตมาตามไม่ไหวนะมันปรุงร่วมไม่ขึ้นปรุงร่วมไม่ไหวก็เลยได้แค่อย่างที่มันได้ก็เอาละมันแค่นี้ก็แค่นี้อย่างนี้เป็นต้นนะ เราก็อธิบายสรุปคร่าวๆอย่างนั้นนั่ น, นคืออานาปาณสติโดยหลักถ้าจริงๆแล้วก็คือถึงลืมตาหมดเลยเพราะงั้นเวลาเอามาหลับตาไม่ต้องใช้ทั้งหมดนี่หรอกเอามาหลับตาไม่ต้องมาใช้พวกรายละเอียดพวกนี้เพราะหลับตานี้ง่ายตื่นแต่พวกเราก็ยังไม่เอาอยู่นั่นเองขนาดอย่างง่า ย, ยไม่ค่อยเอามันก็เป็นความผิดที่อาตมาบอกแล้วอาตมาคงผิดนะพาไปไม่รอดนะเพราะว่าไปตี พยายามตีที่จริงมันต้องตีซ้อนนะว่ามันจะมันติดกันมันหนักหนาสากันมาแก้กลับต่อไปในอนาคตพวกเรามีพื้นฐานในนี้แล้วคนต่ อ, ตอไปในรุ่นต่อไปก็คงจะไม่มีปัญหามากวันตอนนี้เราจะมันไม่มีอะไรมากกวาเอานั่งหลับตาก็นั่งหลับตาไปก็คิดว่าจะพยายามหาเวลานะพยายามจะพากันฝึกกับพวกเราในอนาคตต่อไปใ น, ในวันในคืนต่ อ, ตอไปกลับไปเนี่ยไปสันติไปปฐมอะไรกันนั่งกัน เอาให้กนดานกันเลยลองดูถ้ามีเวลานะแล้วมันงานมันก็ยังมาหมดเลยเนี่ยใ้เใกเษตรก็จะมาช่างก็จะมาศาลาช่างก็จะสร้างจะต้องทั้งด้านวิศวกรรมก็จะต้องเพราะว่าทคนของเราไม่มีแรงพอก็จะต้องสร้างเครื่องทุนแรงจะต้องมีเครื่องกลไกจะต้องมีอะไรซึ่ ง, งเราก็มีคนพอที่จะดาเนินการะจะต้องหลายด้านนะย่งจะพูดไปเลยพูดไปกันเลยก็ยิ่งไม่ได้นั่งกันพอดีนะ ม่ไหนไม่ใช่เห็นควันมันคือแมงเนี่ยมันเข้าไปถูกไอ้นั่นแล้วก็ก็ไปปฏิกิริยาความร้อนไหมไอ้นั่นแล้วมันมีควันออกมาไม่ไม่ใช่ไฟไหมหรอก <c oughs> <c oughs> มันจะมีประเดี๋ยก็มีประเดี๋ยก็มีอยู่บ่อยๆนะอันั้นอ้าวทีนี้ก็สูตรต่างๆที่ได้อธิบายป ร, ประกอบนี้นะ นในเรื่องของเวทน า, นาพระพุทธเจ้าก็สรุปเรื่องสารทสูด์นีสรุปให้เห็นว่าเวทนานั้นพระอริยเจ้าที่รู้ความจริงแล้วก็เสวยเวทนาแต่กายส่วนเดียวอขออภัยอพราะใช่ๆเ ส, สวยเวทนากายส่วนเดียวส่วนใจนเวทนาทางใจนั้น อยู่เหนือมันเพราะพ้นอนุใส่ไม่ว่าจะเป็นอนุใส่สามีปฏิคานุสัยราคานุสัยและอวิชานุใส่น ะ, ะรวมแล้วก็มีสองสายใหญ่ๆ <c oughs> คือปฏิคานุใส่กับราคานุสัย<ม>คืออนุสัยทางสายโกรธโทสะกับอนุสัยทางสายรึงรัดคือราคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อแจ้งโดยอวิแจ้งโดยวิชา หมดอนุสัยของอวิชชาแล้วแม้เราจะเจ็บกายใจมันไม่มีอะไรเราไม่ไม่ไปฟ้องไม่แผ่งอะไรนี่สรุปง่ายๆนะมันไม่มีปัญหาถูกลูกศอนยิงก็เจ็บที่แผลไม่ได้ไปเจ็บใจอะไรแม้ศัตรูนั้นจะยิงแล้วด่าด้วยก็ไม่เจ็บใจยิงแล้วด่าด้วยไม่ใช่ด่าแต่พ่อแต่แม่ด่าทวดด้วยก็ช่าง ไม่มีปัญหาเมื่อรู้เมื่อพ้นอวิชชานุสัยแล้วนะก็ไม่เป็นปัญหาเจ็บแต่กายอย่านึกว่าพระอาหารหันต์ไม่เจ็บอย่าลองนะลองลองให้ฟังเลยน ะ, นะอย่าไปเข้าใจผิดนคนเข้าใจผิดโอพ้พระอาหารหันต์เป็นพระอาหารหันต์แล้วคงไม่รู้จักเจ็บจากปวดอะไรเนา ะ, นะ ม, น ม, น ม, นมันเจ็บมันทุกข์ใช่ไหมครับเจ็บปวดมันก็เป็นทุกข์อันหนึง่ง แล้วไม่ได้เรียนเรื่องทุกอย่างละเอียดอย่างที่ว่านั้นนั่นนี่ก็สรทสูตรทีนี้สมุคสูตรนั้นก็เป็นเรื่องที่บอกให้เห็นสภาพนิมิตสามนะอันนี้ก็ชัดสำหรับพวกเราได้ผ่านสภาวะามาก็ชัดสมาธินิมิตปักขานิมิตอุเบกานิมิต น, นะสมาธินิมิตก็คืออาจารย์มั่นนะ ปักขหานิมิตก็คือพระเทพเวทีหรือนี่เรียนศึกษาขยันมันเพี้ยแต่เพี้ยทางนั้นนะไม่เอาหรอกงานหนักไม่เอ า, าหรือ อ, อุเบกขานิมิตอุเบกขาณิมิตก็คือเทพุทธธาตุนีน่อันนี้ตัดออกก็ดีนะนเอาไปออก แ ต, แต่ที่จริงรู้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันจริงเหลือเกินแล้วมันไปไม่รอดนะเพราะฉะนั้นท่านเปรียบเหมือนกับยังช่างที่จะสูบทองเนี่ยสมาธินิมิตก็เอาแต่สูบสูบทองไม่มดไม่หรืออะไรไม่ได้เกิดอะไรละละลายหมดนะส่วนปักคหานิมิตนั่นก็เอาแต่น้ําพรมพรมพรมพรมพรมเย็นมุดทอง ทำปฏิกิริยาอะไรก็ไม่เกิดทําอะไรก็ไม่ขึ้นนะส่วนอุเบกขานิมิตนั้นจะว่าจริงๆแล้วก็คขา ย, ยังชั่วหน่อยอุเบกขานิมิตเนี่ยนะัคือทําได้บ้างนะมีอุเบกขานี่นะมีฐานที่เฉยวางเฉยได้จริงๆอยู่บ้างแล้วก็เป็นชีวิตมนุษย์ธรรมดาบ้างสมาธิณิมิตเนี่ยไม่เป็นมนุษย์ธรรมดาเราปัจจุบันคือ เหมือนนังอายมันหลบรูอยู่ในรูนี่เดียวแต่อุเบกขานิมิตเนี่ยอยู่ก็ชนอยู่ก็มนุษย์อยู่ก็ธรรมดาแล้วก็มีฐานอาศัยนิดหน่อยแต่เอาจะดูไม่ทําต่อไม่มีพินิษตอันนี้อาตมาที่บอกว่าใช้คำแปลว่าเพ่งดูเสมอๆนี่มันไม่ค่อยจะชัดเจนบอกว่าไม่พินิษติ่งขึ้นยิ่งขึ้ น, นเสมอๆน่ะ คือไม่โยนิโสมันนสิกการจริงต่อสภาวะแล้วก็ต้องลึกขึ้นลึกขึ้นเจริญขึ้นจนกระทั่งถึงที่สุดมันไม่หรอกมันมีฐานอาศัยเมนพวกเรานี่ยมันแข็งไม่ขึ้นติดแป้นติดแป้นแล้วก็นึกว่าเราจบแล้วไม่ได้มีฐานเดียวมันก็เลยไม่มีทางที่จะตั้งมั่นแข็งแรงหรือสิ้นอาสวะได้อุเบกานิมิตจึงไม่นะมันก็จะได้แค่นั้นเอง ใช่อุเบกขาณิมิตอริบะอริุเบกขาพรมมีหานอริอุเบกขาณิมิตอันนี้อธิบายได้อย่างที่ว่านี้อุเบกขาพรหมมิหารนั้นเป็นคุณลักษณะอุเบกขาพรหมมิหานี่เป็นคุณลักษณะที่อาศัยอาศัยและรู้ว่าอาศัยด้วยอันนี้ไม่อาศัยและเป็นอัตตาอุเบกขานิมิตนี่เป็นอัตตาแล้วอัตตาที่ไม่ได้ลึกอุเบกขาไม่ได้มีชั้นเดียว วางเฉยเนี่ยใจวางวางวางมันเรื่อยวางเฉยแล้วเป็นยิ่งไปเอาอย่างความคิดนึกเอาแต่ความฉลาดเท่านั้นมาวางก็ลเลยได้วางแต่ความฉลาดวางแต่ความคิดนึกได้แต่ตรรกศาสตร์ได้แต่ความหมายแต่ไม่รู้จิตจริงรู้จิตจริงสู้สมาธินิมิตยังไม่ได้เลยพวกอุเบขานิมิตเนี่ยความจริงแล้วมีแต่ภาษาหลอกแต่เขาวางนะวางคือวางโยนทิ้งอะช่างมันวางปล่อยไม่ใช่ตัวกูของกู แต่กูก็อยู่กับกูนี่แหละเบอ้บอเบอ้บอด้วยจะกินเบียกก็ยังกินอยู่ไปบรรยายธรรมกันหลอ่อเบียกกันเมาบางทีนี่สายนี้ก็เป็นอย่างงี้มีอยู่มีกินก็กินมีนอนก็นอนมีใช้ก็ใช้เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ฉลาดจึงอยู่กับสังคมได้เพราะฉลาดก็ใช้ความฉลาดนั่นแหละหากินแล้วไอฉลาดแค่บรรยายผิดผิดนี่ยังขายได้เลยขายได้หากินได้ได้ไดลาบยศส้นเสริญ จริ ง, รงเนี่ยคนอยู่ในอย่างนี้แล้วมันก็ไปไม่รอบมันจะแทงทะลุสิ้นอาสวะนั้นไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าก็ยืนยันอย่างนี้น น, น, นสูตรนั้นทีนี้เรามารู้จากสมาธิสี่สมาธิ4ี่ไอ้สองอันนามวิสาขาอะไรอะไร น, นั่นก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องอะไรมากมีอนุปัสนาอักกนนึงก็ตามเพ่งเล็งเห็นมียา น, นวิปัสนาหรือจะเรียกอนุปัสนสนาก็ได้นะ สมาธิสค่สมาธิที่หนึ่งนั้นเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขในทิฏธรรมเป็นสุขในปัจจุบันแพรน ด, ด์ผู้ใดทำสมาธิเนี่ยจะเป็นสมาธินั่งหลับตาหรือลืมตาอยู่ก็ตามจะเป็นปิ ก, ปปกติธรรมดาก็ตามจะมีสุขกวิหารธรรมมีธรรมดามีความสุขสุขอย่างสงบนะนั่นเป็นอันหนึ่ง สองสมาธิอันที่สองนั้นถ้าไปเพ่งเล็งหรือว่าไปใช้จัดไปใช้จัดโดยเวทนานำนคือความรู้สึกเวทนาน์สัญญานขอสัญญานำสัญญาเป็นตัวกำหนดรู้กาหนดรู้กาหนดรู้หรือจำไว้มันเป็นฐานฐานจำานี่เป็นสิ่งที่เป็นมันซั์ ความจํำมันเหมือนซับชนิดหนึ่งแล้วก็เกิดความฉลาดแล้วก็จำได้ฉลาดแล้วก็จํำได้ตํรวดรู้ก่อฉลาดนั่นแหละคือข่าวความกําหนดรู้สัญญาอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรก็มีไว้พอเกิดสัญญาแล้วก็เป็นสัญญาณเกิดสัญญาแล้วก็เป็นสัญญาณเกิดสัญญาแล้วก็เป็นสัญญาก็สั่งสมสัญญาไว้เรื่อยๆสิ่งสั่งสมไว้เป็นความจําที่จริงน่าจะเรียกว่าสัญญาณสัญญากําหนดรู้ลงไปรู้รู้มันก็เกิดญาณทัศนะเกิดความฉลาดนะ ถ้าใช้เวทนาเป็นหลักรับรู้สึกรับรู้สึกรับรู้สึกรับรู้สึกรับรู้สึกคุณจะรู้สึกอยู่เสมอก็คือสติของคุณความระลกรู้ทั่วตัวอยู่ต้องตื่นตื่นตื่นตื่นตนอยู่ก็จะเกิดสติสัพชัญญาเวทนานำก็จะเกิดกับสติสั ป, ปชัญญาเพราะฉะ น, นั้นคุณจะใช้สัญญาต้องฝึกสัญญาฝึกแล้วก็ต้องพยายามเรียนรู้เวทนาฝึกสัญญาเรียนรู้เวทนา จะเรียนรู้เวทนาก็ต้องใช้สัญญาซ้อนเวทนากนําหนดรู้เวทนานะกนําหนดรู้อารมณ์เป็นอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็วิเคราะห์ในเวทนาเวทนาในเวทนาว่ามีอะไรไปสังขารมีอะไรที่เป็นเจ้าแฝงแฝ ง, แงซ้อนซ้อนสุ ข, เ, ขเวทนาเป็นต้นสุขมันสุขอะไรถูกต้มจนสุขหรือว่าสุขเพราะว่ามันไม่มีอะไรเฉยๆว่างๆนะเป็นสุขมันว่างมันว่า ง, ม, างมันสะอาดมันไม่มีอะไรต้องบําเรอบําบัดอะไรไม่ต้องมี เหตุ hate, แล้วก็จะมาบาบัดเหตุไม่ใช่ว่างไปแล้วไม่มีอะไรมาเป็นต้นเขาไม่มีอะไรที่จะมาปลูกเราเพื่อบําเรอตน้อนนีเป็นต้ น, นก็ต้องทําเสมอถ้าใครพยายามระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกต่อความรู้สึกระลึกต่อความรู้สึกอยู่เรื่อยอเพราะว่าความรู้สึกนี่ไม่ใช่ว่ารู้ได้โดยเวลาหลับไม่ใช่นะมันเสพ รู้ความรู้สึกกับเสพต่างกัน ร, รู้รู้ความรู้สึกเรื่อยเรื่อยๆก็วิจัยอยู่ในตัวเหมือนกันเพราะใช้สัญญาซ้อนอยู่ในเวทนากําหนดะรู้ช้อนใช้ช้อนใช้ลึ ก, กไปเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีสติเต็มอยู่เรื่อยแล้วมันเรื่อนลงไปก็ไม่เต็มที่ใช้ใช้ต้องตื่นเต็มอยู่เรื่อยต้องมีความรู้สึกเต็มที่มันก็ภาษาซ้อนหน่อยต้องใช้สัญญา เจาะลงไปในเวทนาเรื่อยๆผู้ใดไ ม, ไม่ไม่ถนัดหรือยังไม่เข้าใจในความหมายของสัญญาก็ดีเวทนากดีอะไรพวกนี้อาตมาพูดมันใช้ภาษาพวกนี้ซ่อนภาษาแล้วก็คงจะรู้ยากหน่อยเข้าใจยากหน่อยก็ขออภัยนะก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าตอนนี้มันต้องอย่างนี้แล้วส่วนนั้นสุดท้ายนั้นสมาธิอันที่สี่นั้นสมาธิภาวนาอันทิ่สจะสิ้นความเป็นอาสวะได้ก็เพราะว่า เก่งทั้งสัญญาเก่งทั้งเวทนานะเก่งทั้งสัญญาทั้งเวทนาจะต้องเรียนรู้ขันทนะ่จะเรียนรู้ขันทาซึ่งมีรูปบอกแลว้วรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้ยิ่งเป็นรูปหรือองค์ประชุมที่ละเอียดจิตในจิตเวทนาในเวทนาแล้วมันจะต้องมีความรู้จริงๆมียานทัศน์นั้นเอาไปใช้นะยานทัศน์เพราะได้ฝึกสัญญามากดี แล้วก็จะต้องมีสติเต็มเพราะฝึกเวทนามาดีจะต้องเรียนรู้เวทนามีเวทนาที่ดีมีสัญญาที่ดีจึงจะชนะสังขารจึงจะวิเคราะห์เอาสังขารที่เป็นสังขารอันที่ไม่ควรปรุงไม่ควรแต่งไม่ควรใช้เหลือแต่สังขารที่เป็นปุญญาพิสังขารเป็นสังขารที่เป็นบุญ จนสุดท้ายไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปด้วยสังขารเป็นบุญเป็นฐานอาศัยเสร็จแล้วเราต้องวางจึงจะเรียกว่าไม่ติดบุญไม่ติดอัตตาไม่ติดสิ่งที่เป็นสูงสุดที่ยังมีชีวิตอยู่ใช้แม้เป็นขันแม้เป็นขัน ขันไหนก็ตามวิญญาณขันรวมแล้วเจตสิกสาเวทนาสัญญาสังขารคือเจตสิกใหญ่ทํางานเต็มที่แล้วก็รวมลงเป็นวิญญาณวิญญาณนั้นเป็นประสิทธิภาพของมนุษย์วิเศษยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามเราก็ต้องรู้ว่าเป็นฐานอาศัยเป็นของอาศัยเท่านั้น มันเป็นเรามันเป็นเราแต่อย่าสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราอย่าไปหมายเอาว่าเป็นเราบอกคุณแล้วคุณก็ไปทำอย่างนี้ให้ได้ฝึกจริงๆอ่ามันเป็นเราแต่มันก็ต้องพรากจากกันเป็นที่สุดเพราะมันจะต้องพรากได้ตายเมื่อไรก็พรากได้จริง คุณยังจะเป็นอรหันต์ตายไม่ได้คุณก็จะติดวิญญาณยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นประมาทตมันเพราะไม่ได้เรียนพราไม่ได้เรียนจากไม่ได้เรียนปล่อยประมาทตะมันอันนี้เนี่ยวิญญาณอันสุดท้ายอันนี้จะสิน้นอาสวะเพราะหมดอุปทานขันห้าอันนี้เป็นสมาธิอัทิ่สเพราะฉะนั้นสงบสุกระงับนั้นสุกระงับได้ด้วยสมาธินั่งหลับตาก่อเอา้าเรียนรู้ สมาธิไม่นั่งหลับตาเร ล, ลืมตานี่แหละมันเป็นฌานจริงๆเป็นฌานพุธมันก็สุกมันก็สุกไม่ใช่ไม่สุกเพราะฉะนั้นสมาธิทั้งสี่สมาธิภาวนาทั้งสี่นี้ใช้ทั้งสี่ใช้ทั้งสี่เพราะฉะ้าบางคนไม่มีเจโตสมถะสมาธินั่งหลับตาเอาก็ไม่เป็นไรอแต่ ที่พวกเราจะต้องย้อนกลับมาเอานี่ก็เพราะว่าเรามันไม่ได้ถ้าพูดที่ได้แล้วไม่ต้องไปนั่งสมาธิรอกพระพาหิยะธารุจิริยะพบพระพุทธเจ้าถามขอคำสอนสันส้นๆไม่ไม่ต้องยาวน ะ, ะนี่พูดอย่างที่จริงก็ต้องพูดสุภาพกว่านี้เนาะกับพูดกับพระพุทธเจ้าแต่อาตมาพูดคล้ายๆเอาเรื่องๆเนื้อๆนพระพุทธเจ้าก็อ๋อ ท่านท่านเองถ้าไม่มีปัญหาเราพุทธเจ้าท่านสัมผัสท่านก็ท่านมีอภิญญาสูงอ่ะท่านก็รู้คนนี้มีบารมีเอาสอนคืออย่างนี้ท่านก็สอนสี่ประโยคปับ๊บก็เป็นนั่งอัตมาธิที่ไหนเราพรพาหิยะทารุจิริยะเป็นอหรหันเลยฟังสี่ประโยคเป็นอหรหันแล้วพวกเราที่ฟังสี่ล้านประโยคแล้ว <laughs> แล้วก็ให้ฝึกมาอีกต้องไม่รู้ตังเท่าไหร่แล้ว ก็ยังไม่ได้เป็นอรหรันต์เพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ทุกขบวนท่ามันต้องใช้ทุกวิธีการเพราะอินทรีย์พระบัติบุญบา ร, รมีเรายังไม่พอเราก็ต้องใช้ทุกอย่างมันเหมือนกับเพชรทิจระในแล้วยังเหลือแต่จะเอาหนังชะมวมมาเช็ดเท่านั้นแล้วมันก็เอาไปขายได้แล้วสมบูรณ์แล้วแต่เขาก็ต้อง แหมทําเพชรนี่เขาก็ต้องกล่าวต้องกลึงต้องโกรนต้องทําอะไรมาก่อนจนกระทั่งกว่าจะเป็นเม็ดเพชรที่เจรนายเสร็จใช่ไหมแล้วเราจะไปถือตัวว่าเราเองเราไม่ต้องไปให้ไปโกนรนหรอกจะเอาแต่ชาโมนี่เช็ดแล้วก็เราก็จะออกเป็นพระอหรหันต์มันจะไปได้อะไรเราคนที่เขาเขาเจรนายมาจนถึงขั้นนี้แล้วสุดท้ายแล้วเขาแค่นี้เขาก็ได้สิแต่เขาทามาก่อนทั้งนั้นแหละชาติไหนก็ไม่รู้แล้วพวกเราเนี่ยชาติไหนก็ยังไม่ได้ทํา แล้วจะไม่เริ่มทํานมันจะไปมีองค์ประกอบอุปการณ์อะไรได้รู้นะว่าตอนนี้ต้องนั่งเงินนะไม่นั่งก็ไม่ได้แล้วนะจะมาเอาชามัวเช็ดไอ้ไอ้ก้อนเพชรหรือก้อนกรวดอะไรมาเนี่ยเอามาเช็ดเลยนะน้ำชามัวขาดไอ้เพชรไอ้ก้อนกรวดมันยังไม่ได้เป็นเหลี่ยมเป็นเลอะมาได้ให้คุ้นร้องนังชามัวกี่ผืนก็ขาดหมดน่ะใช่ไหมเข้าใจนะ เอาละนี่ก็เป็นเรื่องที่สรุปไปพวกนี้ให้ฟังก็เมื่อเข้าใจภาษาหลักพวกนี้แล้วก็เอามาลองดูเอาไปเอามาก็ะเด็นั่งสักครึ่งชงั่วโมงอ่าก็ยังดีนะครึ่งชั่วโมงก็ยังดีเอาละไม่ต้องกลัวต่ตั้งใจไว้แล้วกันที่นี้ไปแม้อัตมาไม่พานั่งท่านทั้งหลายนี่พานั่งแม้ผู้นั่งจะพาโงกบังก็ไม่เป็นไรจะไปโงกตามท่านก็แล้วกันอ่าไม่มีปัญหาหรอกตัวใครตัวมันแล้วนั่งเนี่ยไม่มีใครช่วยใครได้หรอกเวลานั่งเนี่ยตัวใครตัวมันติงเตือนได้เท่า น, นั้นแหละ เพราะนันจะพานั่งก็ทางก็พานั่งไม่เป็นไรอว่ากันไปนี่พูดเผื่อไว้นะเพราะงั้นก็เตรียมตัวให้ดีนะสมณะพูดจะพานั่งก็ต้องฟิตใหด้ดีนะเอ้าตั้งกายตรงนะตัวตรงคอตั้งออตาอย่าตกไม่ต้องลืมตาเรหลาับตาเนี่ยเอาลืมตาเนี่ยเราให้มันได้อนะ แต่คนไหนที่ลืมตาไปพร่บก็หมมันหลีต้องรู้นะว่าทีนมิทะเนี่ยเป็นตัวผีร้ายต้องผ่านด่านนี้ให้ดีๆอันอื่นก็คิดว่าก็คงจะรอง้วนะแต่ทีนมิทะเนี่ยจัดแต่สายฟุ้งสร้างก็ระวังเหมือนกันมันไม่ค่อยหลับหรอกแข็งแต่ไม่เอาเทิดจะคิดอะไรก็ไม่รู้ร้อยเรื่องลดลงมาให้เหลือ9ก้าลดลมาหรือ80สิลดลงมาไเจด้เรื่อยๆให้ได้ เอาเอาเลยเริ่มต้นเลยหูฟังเสียงอัตมากล่าวได้ปรับตาแล้วก็ทาําฌานนี่ฌานไม่ใช่ว่าเวลาอยู่ในผวังแล้วไม่ได้ยินเสียงได้ยินนั่งหลับตาไปแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วก็ให้มีสติรอยพยายามทำความเข้าใจคำกับคําว่าสติเต็มรอยให้ดีๆรีดลงนิดนึงก็ถือว่าถีนมิทะทามันฟุ้งซ่านเขารวมมาให้ได้เป็นเรื่องหนึ่งเดียว เพราะฉะนั้นอยู่ขณะนี้เราจึงมีเรื่องที่จะรู้ก็คือเรื่องลมหายใจมันยาวมันสั้นลมหายใจมันออกมันเข้าเอามาทำงานกับเรื่องลมหายใจนี้เท่านั้ น, นคนฟุ้งซ่านก็อยู่กับอันนี้หรือคนหลับก็อยู่กับอันนี้นั่นแหละให้รู้อยู่นะว่าลมหายใจเข้าออกนคนจะหลับเก่งๆไปเนี่วลืมไปแล้วลมหายใจมันหายไปแล้วพอหลับนั่นแหะพยายามอย่าไปให้หลับ ได้ยินเสียงอาตมาได้แม้จะเข้าไปในผวังแล้วก็ได้ยินเสียงอาตมาได้แล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อฌานมันต่างกันหลับเป็นนี้เองมันใสมันชัดและจะได้ยินชัดกว่าปกติด้วยซ้ำยิ่งไปอยู่ในฌานเนี่ยเป็นฌานเนี่ยจะได้ยินชัดกว่าปกติด้วยแม้เสียงอื่นรบกวนยังไม่ได้ยินเลยถึงขนาดนั้นเสียงอื่นจะซ่อนอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยอาตมาพูด แล้วจะมีเสียงนกร้องอยู่เนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงนกโดยซ้ำจะได้ยินแต่เสียงอาตมาโดยซ้าถึงขนาดนั้นเพราะว่าจิตเนี่ยมันวิจิตจิตที่มันจะรับเอาแต่แค่นี้มันจะรับได้อันนี้ถ้าใครเรียนสะกดจิตมาจะรู้ดีบอกไม่ต้องเห็นอื่นไม่ต้องรับอื่นรับแต่อันนี้อันเดียวกําหนดสั่งนี้ได้เลยมันจะไม่รับอื่นมันจะรับแต่อันนั้นอันเดียวจริงๆก็ทําไปเรื่อยๆดีๆ ดูกายข้างนอกด้วยกายสังขารให้มันได้รูปร่างที่นั่งดีอย่างให้โอนเอ็นสะัตสัยพยายามกําหนดรู้แม้จะหลับตาก็กาหนดรู้ว่าร่างเรานั่งอยู่อย่างไรแขนขามือไม้กายที่ตั้งตตยที่นั่งอยู่นี้ได้สภาพดีไหมถ้ามันเอ็นมันโอนมันสายมันซัดมันอะไรมันก็ไม่ไม่ปัดซ้ำพยังนะไมระ ง, งับนะอันนี้ก็แค่ง่า ย, ายรู้ตัวทั่วพร้อม ใครรู้สึกรีใครรู้สึกโง่ใครรู้สึกโปมันซัดสายอะไรแก้ทันทีนี่เป็นเบื้องต้นแก้ทันทีตอนนี้เราจะแข่งขันกับด้านสายนั่งไม่ว่าจะเป็นธรรมกายไม่ว่าจะเป็นทางด้านสายจันมันแม้แต่รุสีลิงดำ แต่เรามีสมาธิฐิแล้วว่าเราจะไม่ไปติดไปยุดอะไรแต่ว่าเราก็จะใช้ฝึกปรือประกอบเพื่อเรียนรู้ให้ลวงรู้กันลึกซึ้งขึ้นไปอีกแก่ในเบื้องตนน้นอารมณ์รีเป็นถีนมิถะเป็นง่วงงุนจะหลับอันนั้นก็แก้ทันทีนะของแก้ทันทีมันไม่ใช่อารมณ์น่ายินดีอะไรไม่ใช่สุขหรอกทุก แก้มาให้สติเต็มเบิกบานแจ่มใสไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เข้าไปสู่โพวังไม่ต้องกลัวให้สติตื่นเต็มอยู่อย่างนั้นล้วไม่ต้องกลัวทำไปเถอะวันนี้ไม่ได้หลายๆวันทำไปเราจะรู้ว่าสู่สภาพฌานเนี่ยเป็นอย่างไรปัิสัมพยังกายจะสังฆ่าร่างกายกจะงอกเ้จะทราย เดี๋ยวพรอยไม่เช็คไม่ขยับเลยนะถ้ารู้สึกว่ามันปวดมันเมื่อยก็ขยับได้แก้ไม่ยากหรอกมันปวดมันเมื่อยก็ขยับนิดนึงมันก็หายปวดหายเมื่อยได้แล้วนะแต่ถ้าใครไม่พยายามที่จะขยับนักพยายามที่จะฟื้นจะกดคมมันก็อดทนดีนหัดฟื้นหัดทนหัดกดคมมันก็หายได้เหมือนกันแต่มันอาจจะยากกว่าเราขยับ มันก็อดทนดีด้วยก็หัดอย่างนั้นก็ได้แต่ระวังมันจะมันจะเสียสุขภาพบางอย่างถ้ามันไปไม่ดีนักมันก็จะเสียสุขภาพได้แต่ถ้าคิดว่ามันไม่เสียโรคสุขภาพอย่างเนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นก็ปล่อยมันวางอดทนได้หัดอดทนแล้วก็จะแข็งแรงใจเข้าลมหายใจเข้ายาวเริ่มต้นโดยมีสติ อยู่กับลมหายใจอย่างนี้เร็วว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็พยายามที่จะอยู่กับเรื่องเท่านั้นนะคนเรานี่มันจะคิดพอเราก็เอาความคิดนั้นมาไว้แค่คิดว่าอ๋ออันนี้มันยาวมาสนใจอยู่แค่นี้อ๋ออันนี้ออกเนาะอันนี้ลมหายใจออกอันนี้ลมหายใจเข้าอ๋อออกนีเข้าออกเข้าอ่าเป็นกีลาเล่นกับมันอยู่แค่นี้ เมื่อกตีแบบปิน้นตันก็ตีไปฝากโน้นมันเขาตีมาก็รับก็ตะกลับบอยมาก็เตะกลับมาก็เตะกลับเหมือนกั น, นก็เล่นแบบปิน้นตันเล่นนั่นเล่นนี่มันเป็นกีฬาลมหายใจออกลมหายใจเข้าเอาสั้นเอายาวอันนี้ลูกยอดอันี้ลูกยาวอะไรก็ว่ากันไป อ, อยู่กับลมหายใจเข้าออกสั้นยาวอยู่แค่นั้นแหะให้มันเป็นหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรที่อาตมาพูดเนี่้ยินเสียงที่ประกอบไปในการกระทํา ไม่จะเป็นเรื่องที่จะให้าพาเขวมีเรื่องที่ต้องคิดอะไรมากเป็นเรื่องจะสอดคล้องกับที่เรากระทำเท่านั้นที่พูดเนี่ยเพราะไม่ต้องไปวิจัยอะไรยากฟังแล้วก็ใช้ทันทีฟังแล้วก็จะรู้ฟังแล้วก็ใช้ทันทีกับที่เรากําลังปฏิบัติดูอารมณ์ทีนมิทะยารีรีไม่เต็มร้อยความรู้สึกไม่เต็มที่ไม่ร้อยแม่รีนิดนึงก็คือทีนมิทะ ถ้าเรายังซัดสายเรื่องมากไม่อยู่กับเรื่องลมหายใจเข้าออกสั้นยาวก็ฟุง้งซ่านอุทจจะเหมือนกันกำลังก็รวมมาให้ันเป็นหนึ่งอยู่กับมันนั้นแหละหนึ่งให้ดิง่งเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกเรื่องอะไรอะไรก็ไม่ต้องฟังเสียงนี่บอกแล้วว่าไม่ต้องมาคํานึงเพราะเสียงจะวิ่งเข้าหูเข้าไปรับรู้รวมอยู่กับความรู้ของเราแล้วเราก็จะทําไปพร้อมกันเลย ฟังก็เข้าใจอะไรที่บอกว่าเอออันนี้ของเราไม่ยังไม่ถูกราะว่าทวนแก้องแ ก, องแก่ไปพร้อมกันไม่ควรแก่คุณก็จะรู้มันจะมีตัววิจัยอยู่ในนั้นเสร็จตัวทํำวิจัยที่ฟังแล้วคุณก็จะวิจัยได้เร็วเพราะว่าไม่ใช่เรื่องอยากอะไรเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดตรงกับที่เรารู้สึกอยู่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องแก่ถ้าพูดไปเ น, นมันตรงกับที่เรารู้สึกคุณก็แก่แก่ให้มันตรงตามที่พูดมีสองสายทั้งสายฟุ้งซ่านกับสายที่จะหลีรับ จะหลีหลับก็ปรับปรับมาทันทีมันฟุ้งซ่านก็เอามานิ่งดิงอยู่กับลมหายใจเท่านั้นจึงเรียกอาณาปานะกับสติมีสติเต็มตื่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออก อ, อาณาอาปาณนะทำอยู่แค่นี้แหละแล้วมันจะเป็นเองมันจะเข้าไปสู่ผวังมันจะเป็นฌานมันจะรู้สึกโปรง่งสึกโล่งมันจะ ไม่รับสัมผัสไม่รับปรุงไม่รับสังขารกับอะไรข้างนอกแลก้วจิตของเรามันรวมเป็นหนึ่งเป็นออกตาเอกคตารมมันก็จะเป็นของมันเองตามบาทฐานที่ว่าเนี่ยไปเรื่อยเรื่อยมันจะค่อยคชอยชำนาญเองให้เห็นลมให้ใจให้ชัดยังไม่ต้องไปได้รู้อันอื่นสิ่งอื่นอะไรมากมาย อยู่แค่ลมหายใจนะให้ชัดดิงอยู่งนั้นนะเหมือนเขาบอกว่าเพลงลูกแก้วนะมาให้ตูกแก้วแล้วเจาะเข้าไปในใจกลางลูกแก้วไสเข้าไปไสเข้าไปนั่นแหละ ค, คล้ายกันนั่นแหละอยู่ที่ลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้น อ, อยู่แต่ลมหายใจนั่นแหละเขาออยาวสั้นอยู่ที่ลมหายใจแค่นั้นแหละถ้าใครมันยังไม่ไหวจริงๆ จ, จะท่องเอาพุทธพุทเข้าโทออกหรือพุทธออกโทรเข้าก็แล้วแต่ประกอบไปด้วยกันได้ มันจะได้ดึงความนึกคิดดึงมันจะเป็นปรุงมันหยาบอะไรนักก็เอานี้ก็บังก็ได้นะหรือจะเอาหนึง่งสองหนึง่งสองก็ได้นะหรือใครรักพระเยซูจะเอาเยออกซูเข้าเยซูเยซูก็ยังได้นะให้มีอะไรที่ประกอบเป็นเครื่องประกอบที่มันหยาบหน่อยสําหรับจิตบางคนที่แหมจะไม่ท่องไม่อะไรไม่มีบทท่องทั่วนอะไรเลยเอาแต่จิตเพ่งอยู่ที่ลมหายใจ มันก็ไม่หวัดไหวมันก็ยังดิน่นยังสายยังหยาบก็ให้มันละเอียดขึ้นเอาอันนี้ประกอบก็ได้เอาพุทธโธประกอบพุทธโธพุทธโธก็ได้ไปจะเอาสัมมาอรหังนยมันยาวอะนะก็ได้คนที่หยาบหน่อยก็ต้องเอาสัมมาอรหังสัมมาอรหังเป็นสองจังหวะนะ่ะ องจงังหวะทำช่วงแรกๆเนี่ยเราทำให้รู้สึกว่ามันทําได้เป็นหนึ่งอยู่ขนาดนี้นะเป็นหนึ่งอยู่ขนาดหยาบๆไม่ซัดใสอะไรมากแล้วก็แจ่มใสทําแล้วก็แจ่มใสไม่รีไม่ฟุ้งซ่านอะไรมากมายนักอยู่เขาลมหายใจได้ดีพอสมควรออกเข้าติดต่อกันอยู่หนาทีสิบนาทียี่สินาที ในขณะนี้เวลาหมดไปแล้วสิบห้านาทีพานั่งมาเนี่ยสิบห้านาทีแล้วแต่กายยังเบิกบานจำสาโปรได้มาต่อเนื่องก็ไม่ได้เรื่อยดีแล้ว ล, ล, ล้มก่อนลุกล้มก่อนลุกไม่มีทางอื่นทาอย่างเดียวนั่งอย่างนี้เขานั่งกันเป็นฉาดฉาดก็ไม่ใช่นั่งแค่ปีเดียวนะนั่งก็เป็นฉาดฉาดเลยแหละนั่งทำฝึก ฝึกจริงๆ จ, จะแก้ตัวว่านอนไม่พอไม่ได้เพราะว่าทำฌานถ้าได้ฌานแล้วเนี่ยมันจะได้ยิ่งกว่านอนนี่แหละเป็นการนอนที่สูงกว่าการไป น, นอนหลับเฉยๆแค่ได้นอนหลับมันไม่สูงส่งหรอกบอกว่าเมื่อยว่าเพรียนี่แหละมันจะได้หายเมื่อยหายเพรียในตัวมันเอง แต่ต้องฝึกนะไม่ได้ขีดขั้นของมันแม้เพียรมาจริงๆถ้าไม่ชานาญมันก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ชํานาญจริงๆไม่ได้ฝึกปรืออยู่ทะเื้อแม้แต่เรือเรไม่ได้ฝึกปรือมาเนี่ยมันนั่งบางทีมันก็ไม่ดีเพราะสิ่งนี้จึงต้องนั่งทำเอาต้องทําต้องฝึกอยู่เรื่อยตลอดไม่ไม่ไม่ได้เคยหยุดพยายามเอาความรู้สึกรู้กายด้วยกายไม่โงอไม่ โนมีเงนบางทีไม่รู้ง่ายนะมันไม่รู้ง่ายถําไม่เรียนรู้ตัวเองไปตั้งแต่ต้นจะกลายเป็นคนที่นั่งสมาธิเนี่ยเป็นฌานเหมือนกันแต่กายไม่ปัจซัมพยังไม่สงบระงรับกายมันก็เอนโอนเอนโอนอยู่ข้างนอกนี่คนข้างนอกข้ามองเห็นแต่ข้างในอยู่ในผวังจริงๆและใสได้ด้วยใสยได้ด้วยนะ มีสภาพใช้สติเต็มอยู่ข้างในได้ด้วยแต่ข้างในข้างนอกกายเนี่ยงนเงินงนเงินเป็นงนอย่างนี้อยู่ไ ม, ไม่ไม่นิ่งถ้าไม่ฝึกให้ดีไม่พยายามทำความรู้สึกในทางกายสังขารสัพพกายะกายทั้งปวงที่เราจะควบคุมหรือเราจะจัดแจงมันถ้าเราไม่เรียนรู้ไปรูให้มันพร้อมให้มันครบให้มันเฉพาะเท่าที่เรากำหนด ก็ไม่ได้กว้างอะไรนะักกายะองคประชุมวันนี้ก็แค่กายเรากับอาการที่มันเคลื่อนไหวเพราะเราจะนิ่งเราก็นิ่งตั้งกายตรงก็ทําสภาพเขาใช้คําว่าอธิษฐานบอกอธิษฐานให้นิ่งก็ได้ใช้ตั้งใจอธิษฐานคือตั้งใจเอาต่อไปนี้เราจะตั้งใจหรืออธิษฐานขออธิษฐานว่าเราจะต้องนิ่งและคืจะต้องนั่งตรงไม่เองไม่สัดสาย ร่างลำตัวตรงคอตรงแล้วก็ทําจะอธิษฐานก็อธิษฐานได้คือใจเราเนี่ยสั่งตัวเองแล้วก็ทำมันตรงตามมันนั้นจิตมันจะช่วยด้วยตั้งใจคืออธิษฐานจริงๆตื่นแม้หลับตาก็ทาจิตให้ตื่นอยู่เรื่อยจะให้หรีลงไปจะให้โมสัวลงไปเวลาเป็นฌานนั้น จะได้ยินเสียงอัตมาชัดเสมอยิ่งเป็นฌานยิ่งได้ยินแต่เสียงอัตมาชัดเพราะฉะนั้นขณะใดาที่ไม่ได้ยินเสียงอัตมาแล้วนั่นน่ะไม่หลับก็รีแย่แล้วเพราะคนที่จะมีทีนามิทะจะไม่ได้ยินเสียงอัตมาคนที่เป็นฌานจะได้ยินเสียงอัตมา ยิ่งเป็นชานดีเท่าไหร่ก็จะได้ยินแต่เสียงอัตมาและจะยินชัดขึ้นด้วยยิ่งเป็นชานดีเท่าไหร่ยิ่งจะได้ยินชัดขึ้นได้ยินเป็นเสียงเดียวเท่านั้นด้วยแม้แต่เสียงอื่นบอกแล้วว่าเสียงอื่นที่ประกอบก็ไม่ได้ยินถ้ายิ่งเป็นชานดีเท่าไร่ชานสูงเท่าไร่ยิ่งจะได้ยินแต่เสียงเสียงเดียวเสียงอัตมาพูดบอกตรงรับรู้อยู่ร่วมกันเท่านั้นด้วย บางคนอาจจะเป็นฌานโดยที่เรียกว่าไม่ได้ยินเสียงอัตมาก็ได้แต่ฌานอย่างนั้นถ้าเราไม่กำหนดเราสั่งว่าไม่ได้ยินเสียงอัตมาเออถ้าอย่างนั้นก็เป็นฌานได้ถ้าจริงก็จริงนะถ้าไม่จริงก็เป็นหลับเหมือนกันก็ได้แต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องตัดเสียงอัตมาไม่จำเป็นจะต้องตั้งอธิษฐานว่าไม่ได้ยินเสียงอัตมาควรตั้งอธิษฐานว่าได้ยินเสียงอัตมาด้วยซ้า เราจะได้พิสูจน์ฌานได้ง่ายขึ้นพิสูจน์ฌานได้ชัดขึ้นเมื่อตั้งอธิษฐานว่าจะต้องได้ยินเสียงอัตมาคุณก็จะรู้ตัวว่าถ้าเริ่มไม่ได้ยินเสียงอัตมาเมื่อไหร่นอกจากอัตมาหยุดพูดถ้าอัตมาพูดอยู่แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอัตมาเมื่อไหร่แสดงว่าเรากําลังหลับเป็นทีนามิตะไม่ใช่ฌานอัานไว้ว่าต้องได้ยินเสียงอัตมา ถ้าตั้งใจว่าอย่างนั้นแล้วอาตมาพูดขึ้นมาเไรมีเสียงขึ้นมาเมื่อไรก็จะได้ยินเมื่อนั้นเมื่อเป็นฌานจริงแล้วจะได้ยินเมื่อนั้นทุกทีไปสมาธิภาวนาอย่างที่หนึ่งคือสุขคทิทธรรมสุขคิสุ ข, ขิขขธรรมสุขสุขเิหาอธิธรรมววหารอย่างนั้น การอยู่เช่นสภาพอย่างนั้นน่ะเป็นสุขในปัจจุบันอย่างนั้นจะเป็นสุขจริงๆเป็นสุขโดยสงบพระงับถ้ามันเป็นฌานมันจะสบายมันจะไม่อึดอัดมันจะไม่ขัดเครื่องมันจะไม่เดือดร้อนอะไรเลยมันจะสบายเป็นฌานจริงๆมันจะสบายจริงๆออกเข้านั้นแม้ไปอยู่ในฌานไปอยู่ในผวังแล้ว เราจะเอาลมหายใจเป็นความรู้สึกลมหายใจเข้าสั้นออกยาวอะไรเข้าไปไว้ในข้างในรู้สึกก็ได้เหมือนกับเอากระสินรูปแกว้วเอากระสินไฟอะไรทีม่มีดวงไฟอยู่ข้างในความนึกคิดเอาลูกแก้วเข้าไปอยู่ในความนึกคิดเหมือนกันน่ะลูกแก้วก็ดีไฟก็ดีหยาบ ก, ก็ลมหายใจเท่านั้นเอง มันจะเพิ่ว่าอารมณ์หายใจเข้าออกรู้สึกว่ามันยาวมันสั้นแล้วก็เข้าไปอยู่ในพอวังเหมือนกับมีลมหายใจอยู่ที่เราได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกยาวอยู่สั้นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาก็ได้นะในอนาปานสติสูตรนั้นจะกำกับคำว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนกระทั่งแม้ที่สุดถึงขั้นสุดท้ายปฏินิสขานุ ป, ปัสสีก็ยังจะต้องออกเข้าแล้วก็ จักหายใจเข้าจักหายใจออกอยูนะ่นั่นก็หมายความว่าความจริงแล้วมันจะคานแยงกันกันกบระหโหคตสูตรที่บอกเอาไว้ว่าพอถึงฌานที่สี่แล้วลมหายใจจะดับนะ่ะ เมื่อเข้าจตุตชฌานลบอัตซาสัพปะสัสะ ย, ย่อมดับนอัตซาสัปปะสสนิโรธาโหติในจตุตชฌานที่อ่าในให้ฟังแล้วในระโหคตะเพราะฉะนั้นต่อจากนั้นไป อ, อะไรต่างๆ น, น, นานาอากาศานัจจายตนะอกิญจัญญาสัญญาเวทิจติโรจนกระทั่งถึงสุดท้ายถึงสภาพ ปฏินิสัขะถึงนิโรธานุปัสสีที่เราเรียนมาถึงข้อ15นิโรธานุปัสสีข้อ16ปฏิทินสขานุปัสส<ม>ีก็ยังมีกํากับว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็จะแย้งกันกับนี่แค่ฌานที่สี่ในระหงกตสูกระตัสตไว้ว่าลมหายใจออกใจเข้าย่อมดับนะโยนัยเลย น, นิโรธเป็นโยนัยก็ยังลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่เนี่ถ้าเรียนไม่ดี เข้าใจไม่จริงมันก็จะแย่งกันนี้ก็เลยไปมุ่งเอาที่ลมหายใจจริงๆหยาบเป็นเรื่องของความหยาบเพราะนั้นอันนั้นไม่ใช่นะนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นจะเป็นความรู้สึกเป็นกินตนภาพเป็นอุกขหานิมิตแล้วจะขยายทำเองเลยทีนี้จะปั่นใ้ยาวเท่าไรสั้นเท่าไร จะให้เข้าอย่างเดจะให้ออกอย่างไรเป็นปฏิภาคนิมิตก็ได้เมือนขยายกสินไฟเพ่งรูปไฟแล้วก็ไปอยู่ในข้างในเป็นความเห็นเป็นการเห็นเห็นเหมือนมีไฟดวงหลับตาแล้วก็ไม่ได้เห็นไฟแล้วก็มีดวงไฟนั้นติดอยู่ในเป็นจินตนาภาพอยู่ข้างในเป็นนิมิตแล้วก็ขยายออกขยายเข้า ขยายให้ใหญ่ขยายให้โตขยายให้เล็กลดให้เล็กให้มันอยู่กับใกล้ตัวให้มันออกไปห่างตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้ชั้นเดียวกันซึ่งมันไม่ใช่ของจริงลมหายใจออกใจเข้ามันไม่ใช่ของจริงแต่ก็มีลมหายใจออกลมหายใจเข้าเพราะจะบอกว่าดับก็คือเราไม่ได้ไปสัมผัสอยู่กับลมหายใจจริงที่อยู่ข้างนอกนั้น แต่ก็มีลมหายใจออกลมหายใจเข้าอยู่ข้างในของเราด้วยมีความรู้สึกที่มีสติมีสติเต็มรู้สึกอยู่ได้ทําอย่างนั้นได้หรือแม้ที่สุดเราเข้าไปถึงในระดับที่ไม่จําเป็นจะต้องไปะระลึกถึงลมหายใจอะไรเลยว่างลงไปเป็นอาการสาดังกล่าวแล้วจาก ฌานสี่แล้วก็ขึ้นสู่อากาศสาลมหายใจเข้าลมหายใจออกดับจริงๆไม่ต้องเกี่ยวข้องกับแม้แต่นิมิตของลมหายใจใหายใจเลยจะว่างวางอยู่กับความสว่างอากาศสานัญจา ย, ยตนะสว่างนิ่งหนึ่งเดียวอยู่นั่นนะก็จะจะรู้สึกได้จะทำได้ปล่อยออกไปอีกนั่นเอง ไม่ปรุงอะไรขึ้นไปยิ่งกว่ายิ่งกว่าขึ้นไปอีกปล่อยออกไปอีกก็เป็นว่างเลยแม้แต่ลมหายใจกับใหม่มีละไม่เอาละ ว, ว่างเพราะงั้นเมื่อเวลาเข้าไปในสภาพผวังหรือฌานที่มีสติเต็มเราก็จะนม้นมนม้อมจิตไปปล่อยได้จะว่างสว่างอยู่จะรู้สึกต่อวิญญาณึรรู้สึกต่อความรู้สึกของตนเองก็จะรู้สึกได้แต่ว่าวิญญาณในใจะจิตะนะ ก็จะรู้ว่าโอ้เรากำลังอยู่ในสภาพอีกพูมหนึ่งพบหนึ่งเนาะอยู่ในสภาพที่มันว่างมันสว่างมันโปรง่งมันโลง่งมันเบาอะไรมันก็จะรู้รู้สึกเองมันจะรู้สึกอยู่ในนั้นเพราะงั้นสภาพอากาศาก็บอกความว่างสภาพวิญญาณัญจา ก, ก็บอกความรู้สึก ความว่างนี่ก็ดูนอกดูองค์ประกอบพดมรลุถึงความรู้สึกก็เรียก ว, ว่าเวทนาหรือวิญญาณมันวางเฉยอุเบกขาวางเฉยอยู่อย่างงั้นนะ่ะวิญญาณที่เป็นอุเบกขาเจตสิกหรือจิตที่เป็นอุเบกขาเจตสิกเขก็รู้ว่าว่างว่างอยู่เฉยอยู่องั้นนะ่ะ ถ้าเราจะทําให้ไม่มีอะไรนิดนึงน้อยนึงไม่มีนะั่นนะก็คือสิ่งใดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นของกวนมันเป็นอะไรกวน ล, ละเอียดละอออย่างไรที่เราไม่ต้องการให้มีก็ดับไปได้หรือจะหัดอย่างที่เขาให้ความหมายว่าอากิจจัญญายจันตนาคือดับไม่รับรู้สึกอะไรเลยความว่างก็ไม่เอาความรู้สึกตัวก็ไม่เอาดับมืดไปดับดับเป็นเหมือน หลับยังไม่มีฝันหลับยังไม่มีความรู้สึกหลับยังดับดิ่งไปเลยจะหัดอย่างนั้นก็เอาจริงๆก็คืออสัน ญ, ญีนิดนึงน้อยนึงไม่มีอะไรจะหัดอย่างนั้นก็เอาถ้าใครอยากจะหัดแล้วจะรู้ว่าดับได้จริงๆแล้วเนี่ยแต่ต้องมีฐานอากาศาจริงๆก่อนนะถ้าไม่เป็นฐานอากาสาแล้วไปถึงป้าก็จะดับดิ่งไปเลยตกสู่ทีนามิฐะง่ายที่สุด มันจะต้องเป็นฌานหนึ่งสองสามสี่ที่เข้าใจว่าลักษณะอย่างนี้แหละฌานแล้วก็ถึงกระทั่งอากาสายวิญญาณนัญนาแล้วจะดับทีนี้ดับในภูมินั้นแล้วเป็นอสัญญีจริงนะที่เขาเรียกนิโรธสมาบัตินั่นแหละดับดิ่งไปเลยแต่มันก็จะออกมาเหมือนกันมันจึงเป็นเนวสัญญานาสัญญา เมื่อออกมาแล้วก็จะพยายามดับดิ่งเข้าไปอีกมันก็จะวนอยู่ที่สองธาตุในอยู่สองสภาพนี้แหละเพราะฉะนั้นอาลานดาบทกอุทกราบทจึงตีกันอยู่ตรงนี้สุดท้ายมันก็จะอยู่ตรงนี้อาลานดาบทก็ยึดเอ า, เ อ, าอากาสเอะอากินจัญญายัตตนาะอุทกราบทก็ยึดเอาเนวสัญญาณนะสัญญายัตตนะาต่างคนต่างเป็นยอดฤๅษีด้วยกันทั้งคู่่ก็จะ บนอยู่ตรงนี้สุดท้ายนะเขาไม่มีสัญญาเวทียติโรธหรอกในฤาษีมีแค่นั้นอนะ่ะอรูปฌานที่สีกันนั้นนะสามสี่ก็จะวนอยู่ตรงนี้แหละนะอาลานดาบอ ก, กวบติตัวเองสูงเพราะได้อากาอากินสัญญายตนะส่วนอุทกกาดาบดก็ได้เนวัชยานาสัญญายตนะก็ว่าของตนสูงก็เท่านั้นเองนะสัญญาเวทยติโรดไม่มี แต่ของเรานี่มันต้องเรียนต่อยังเรียนถึงสัญญาวเวทีจตันิโรธแต่ตอนนี้เราจะไม่ต้องคํานึงถึงสัญญาวเวทีจตันนิโรธเราคํานึงถึงแต่ฌานแค่รูปฌานและรูปฌานอย่างหรือสีนี้เท่านั้นนะเพราะงั้นก็มีเวลาไปฝึกออก็ที่บ้านที่เรือนที่ไหนก็พึงทํามีข้อสงสัยอะไรก็มาถามนะถ้ามันมีอะไรที่ ของใจเพราะว่ามันมีเรื่องไม่รู้อยู่เยอะเหมือนกันเวลาหลับตาเข้าไปแล้วอุปทานเดิมความยึดถือความเข้าใจเดิมของเรามันมีอยู่มากมันก็มาทําให้เราไม่รู้ทําให้เราเกิดสงสัยแคลงคลางแคลงแล้วก็มันก็อาจจะขัดแย้งกันหรือมีอะไรอะไรบ้างก็เป็นไปได้เพราะงั้นก็เอามาถามมาถามได้อย่าปล่อยไปอย่าไปเข้าใจผิดผิ ด, ผดคว เ, เ, เองตัดสินเราเอง นะมาถามมันก็จะได้ไม่ต้องเพี้ยนไม่ต้องผิดถ้าไปเดี๋ยวไปตัดสินผิดผิดถ้าไปทําอะไระไดออกนอกรู น, อ, อ, กนอกทางออกนอกเรื่องไปมันจะไม่ดีนะเอาละสําหรับวันนี้เราก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรแล้วก็เหลือเวลาสุดท้ายก็ค่อยว่ากันใครจะไปต่อกันที่อื่นไปต่อกันที่บ้านที่สันติอโศกปทมโศกสาลียโศกก็ทํากันต่อไปนะ